พระสูตรนี้ <c oughs> ชื่อว่าสิริมันดะมันทะเทระคาถานะฮะเป็นเป็นพระสูตรของพระสิริมันทะเทระท <c oughs> ่านกล่าวไว้ว่ามุงบังไว้ฝนยิ่งรั่วรถมุมงบังนี่หมายความว่าหลังคานะ ที่มุงไว้หลังคาที่มุงบังไว้ฝนยิ่งรั่วรดหมายายิ่งมุงให้ดีฝนก็ยิ่งรั่วทำไงั น, นเปิดไว้ฝนกลับไม่รั่วรดนี่แปลกนะเปิดไว้ฝนกลับไม่รั่วรดเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเปิดที่มุงบังเสียเถิดกลับไปอย่าเปิดหลังคาละ ฝนจักไม่รั่วรถท่านด้วยอาการอย่างนี้นะโลกถูกมัดจุกําจัดถูกชารารุมล้อมโลกนี้คงเข้าใจนะจะเป็นขันธโลกก็ได้จะเป็นสัตวโลกก็ได้นะครับโลกถูกมัดจุกําจัดถูกชารารุมล้อม ถูกลูกสอนคือตันหาทิ่มแทงถูกความปรารถนาแผดเผาทุกเมื่อโลกถูกมัดจุกาจัดและถูกชราลุมล้อมไม่มีสิ่งใดต้านทานได้ย่อมเดือดร้อนอยู่เป็นนิดเหมือนคนกระทำความผิดได้รับอาชญาเดือดร้อนอยู่ฉะนั้น ชาลาพยาธิและมรณนะทั้งสามนี้เป็นดุจกองไฟตามครอมงามอยู่สัตวโลกเหล่านั้นไม่มีกำลังต่อต้านไม่มีกำลังจะหนีไปจึงควรทำวันไม่ให้ไร้ประโยชน์ด้วยมนสิการวิปัสสนากรรมฐานน้อยบ้างมากบ้างเพราะราตรี ล่วงไปเท่าใดชีวิตของสัตว์ก็ล่วงไปเท่านั้นเวลาตายย่อมรุกร้นเข้าไปใกล้บุคคลผู้เดินยืนนั่งหรือนอนเพราะฉะนั้นท่านไม่ควรประมาทเวลานะครับถ้าอ่านเท่านี้ถ้าเราไม่มีอัตถกถาเราก็คงจะแค่มุงบังเราก็จบแล้วนะนี่ท่านอัตถกถาจารย์คือต้องคิดถึง สังคคุณนะครับท่านท่ทานพุทธโคสาจารย์ท่านได้ <c oughs> ท่านได้เป็นผู้ที่รวบรวมแต่งอัจฉริยอธิบายแบ็กกราวของสูตรนี้นี่นะครับที่กล่าวว่ามุงบังไว้ฝนยิ่งรั่วรถเนี่ยนะฮ ะ, ะท่านอัริยะาจารย์ได้อธิบายว่าพระเถระผู้เนี่ยขณะที่กําลังพิจารณานะฟัง สวดปาติโมกว่าภิกษุนั้นทําให้แจ้งมงเล็บนะอาบัตแล้วย่อมมีความผาสุกคือท่านฟังสวดปาติโมกแล้วนี่นะครับในปาติโมกนั้นเนี่ยถ้าพระองค์ใดนี่นะมีอาบัตต้องแสดงอาบัติต้องแจ้งตามที่ปาติโมกกําหนดไว้แล้วแต่อาบัตประเภทไหนใช่ไหมถ้าหากว่าไปปิดบังไว้นะครับจะทําให้เกิด วิปฏิสารเกิดอะไรใหญ่โตเลยนะครับไม่สามารถที่จะเจริญกุศลต่อไปได้นะเพราะฉะนั้นก็บอกว่ามุงบังไว้ฝนยิ่งรั่วรดหมายความว่าถ้าไปปกปิดความผิดไปปกปิดทุจริตซึ่งเป็นพระวินัยนะยิ่งปกปิดไว้นะครับไม่ปรงอับัทไม่ไม่ทาตามที่พระปติโมกได้ได้บัญญัติไว้แล้วก็นะฝนยิ่งรั่วรดหมายความว่า กีเลสก็ยิ่งนะก็ยิ่งทับถมแล้วก็คงจะเกิดวิปฏิสารเป็นการใหญ่นะเปิดไว้ฝนกลับไม่รวรดก็หมายความว่าถ้าแสดงอาบัตเปิดเผยเสีย น, นะครับก็จะทำให้อ่าอืมไไม่เกิดวิปฏิสารนะครับเอนี่ก็เป็นเรื่องที่ท่านอัตกถาาจารย์อธิบายไว้นะครับบอกว่า ถ้าพิสูจน์ทให้แจ้งอาบัตแล้วย่อมมีความผาสุกนะครับถ้าไม่ทําให้แจ้งซึ่งอาบัตที่ต้องแล้วยังปกปิดไว้อีกจึงต้องอาบัตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโอ้พระท่านเดี๋ยวถ้าอาจารย์คงจะอธิบายให้เราได้กว้างขวางกว่านี้เยอะถ้ามถ้าปกปิดไว้นะคือยิ่งไปมุงบังไว้นะยิ่งรัวรอดใหญ่เลย ต้องอบัตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเกิดความเลื่อมใสพอคิดอย่างนี้ได้ใช่ไหมก็เกิดความเลื่อมใสว่าน่าอาจจัศจรรย์คำสอนของพระุู้มีพระภาคบริสุทธิ์จริงจึงข่มปิติที่เกิดขึ้นแล้วเจริญวิปัสสนาได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นี่ก็เป็นข้อความที่ที่ ที่แสดงถึงเรื่องศีลเนี่ยครับมีความสําคัญมากเลยนะครับเป็นวิสุธทธิที่ที่หนึ่งที่เรียกว่าศีลและวิสุธทธิเนี่ยมีความจําเป็นมากแม้แต่เราเครื่องหัดก็คงจะมีความสําคัญไม่น้อยนะครับนะฮะถ้าเกิดเราทําอะไรตลย ไ, ไว้ทําผิดศีลมากๆนี่จะมาเจริญ น, นิพพานคงจะลําบากกันนะเจริญพา เดี๋ยวผมยังไม่จบเดี๋ยวท่านจะเพิ่มเติมอ่าท่านอธิบายต่อบแบบนี้นะท่านอธิกถาอธิบายว่าท่านแสดงว่าที่ชื่อว่าการสิ้นไปแห่งราตรีเป็นการสิ้นไปแห่งอายุนะเพราะว่าในในตัวพระสูตรท่านกล่าวไว้ว่าเพราะราตรีล่วงไปเท่าใดชีวิตของสัตว์ก็ล่วงไปเท่านั้นนะครับ พระอัครถาอาจารย์ก็อธิบายว่าราตรีนั้นไม่หวนกลับมาด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าสัตว์อยู่ในคันมารดาตลอดราตรีใดราตรีนั้นตั้งขึ้นแล้วก็ไปนจะแสดงว่าแม้จะอยู่ในท้องของพ่อแม่เรานะ่ยก็แก่แล้วนีราตรีนั้นเมื่อไปแล้วย่อมไม่หวนกลับมาแก่ตั้งแต่เด็กๆนะอย่าว่าผมแก่เลยนะท่านเองก็แก่ตามผม มิใช่ด้วยอำนาจลาตรีอย่างเดียวเท่านั้นโดยที่แทนแม้ด้วยอำนาจอิริยาบถนั่นแหละอิริยาบถเนี่ยท่านกําลังนั่งอยู่นั่งรอความแก่นั่นแหละเเดี๋ยวไปท่านก็ไปสู่แก่นั่นแหละหมอทําฟันทําไปด้วยแก่ไปด้วยหมอแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนั่นะเดินไปก็เดินไปสู่ความแก่ชะลาทั้งนั้นะ่ะะ มิใช่ด้วยอำนาจราตรีอย่างเดียวเท่านั้นโดยที่แทมแม้ด้วยอำนาจอิริยาบถก็พึงรองรับความสิ้นไปแห่งชีวิตเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเดินยืนนั่งหรือนอนก็เป็นการสิ้นไปแห่งอายุทำชีวิตให้หมดสิ้นไปด้วยเดินไปก้าวหนึ่งนะชีวิตก็หมดไปก้าวหนึง่งเพราะฉะนั้นท่านไม่ควรประมาทเวลาแล้วในวงเล็บท่านบอกว่า ผู้แปลนะตอนนี้ไม่ใช่อัตกาฐาแล้วผู้แปลพึงกระทำความเพียรในสิกขาทั้งสามเถิดนี่ท่านแนะนำให้อย่างนี้นะครับข้อความนี้เป็นข้อความที่มีความไพเราะมากนะครับไม่ทราบว่าท่านฟังแนละ้วรู้สึกยังไงบ้างครับท่านอาชีพนักบวชยิ่งมุงมุงบังไว้ฝนยิ่งรั่วรถ เปิดไว้ฝนกลับไม่รั่วรถ <c oughs> ดีนะสูตรนี้ก็คือเห็นลักษณะของพระพระสงค์สมัยกอ่อนที่เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคท่านดำเนินอย่างไรนะท่านชีวิตของสมณะเพศขึ้นต้นด้วยศีลถ้าคารว่าจะขึ้นต้นด้วยทาน ศีลภาวนาแต่ถ้าพระสงฆ์สมณะเพศจะขึ้นต้นด้วยศีลสมาธิและปัญญาอันศีล น, นั้นมีมีความสําคัญมากเป็นเหมือนกับรั้วรอบขอบชิดของของพระสงฆ์เลยของพระภิกษุอันศีลของท่านนั้นถ้าหากว่าท่านเกิดผิดพลาดขึ้นมาซึ่งพระวินัยที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ก็มากในพระวินัยเหล่านั้นนั้น คว่าอาัชชีก็คือเป็นต่อเมื่อรู้แล้วก็คืนทําทําแล้วก็ไม่ยอมแสดงคืนแล้วก็ล่วงอํานาจอคติอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถึงความเป็นอารัชชีอันถ้ายิ่งปกปิดมากๆความเป็นอารัชชีก็จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเมื่อความเป็นอารัชชีเกิดขึ้นนะมันก็เกิดทุจริตกรรมตลอดอทุจริตกรรมเหล่านั้นก็จะเริ่มมีโทษพอกคูณสิ่งเหล่านั้นนะ ถ้าพระที่เป็นอบัติก็นึกถึงคนที่เป็นแผลแล้วก็หาอะไรมาปิดไว้ยิ่งปิดมากยิ่งปิดยิ่งปิดมันก็ยิ่งเน่ามากนเน่าแล้วก็โรคอย่างอื่นก็แทรกได้พระที่เป็นอบัติถ้าปล่อยก็จะเป็นลักษณะนั้นมันมีแต่จะลามขึ้นลามขึ้นวันนี้เป็นอบัติข้อหนึ่งเออเอาไว้นอนใจไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปปรงเป็นอีกตัวพรุ่งนี้ไปอีก มันจากหนึ่งเป็นสองเนสองเป็นสี่ี่เป็นแปดปดเป็นสิบมันจะเริ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มมันงอกได้นะเพิ่มเร็วมากเพิ่มทุกๆวันนั่นแหละแล้วในช่วงที่เพิ่มนะสมถาวิปัสสนาไม่ต้องพูดถึงเลยผู้ที่เจริญสมถะหรือวิปัสสนาก็คือการเจริญกุศลธรรมเพราะภิกษุที่จะเจริญกุศลธรรมนั้นจะต้องมีความเรียกว่าตรงแล้วก็เสื้อตรงจรงิงๆริงอันถ้าหากว่า ทุจริตกรรมเกิดทางกายทางวาจาซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ตรงเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วกุศลธรรมก็ไม่สามารถจะเกิดสืบต่อได้พระองค์บอกว่าผู้ที่ศีลวิบัติแล้วจะทำให้เกิดปีติหรือเกิดปราโมทไม่ใช่ฐานะนถ้าปีติเป็นต้นไม่เกิดกุศลธรรมเป็นต้นเหล่านั้นไม่เกิดสมถะเกิดไม่ได้ เช่นพุทธคุณเนี่ยอรหังก็ได้แต่ทื่อๆละอรหังก็ทื่อๆสัมมาสามัมพุโทโกร์ก็ทื่อแล้วคิดอะไรไม่ออกถึงจะออกก็มันห้วนๆแบบหาความผาสุกไม่ได้เกิดว่าจิตเนี่ยไม่ไม่กระชุ่มกระชวยอะไรทักอย่างอนะเหมือนคนทํางานที่ฝืดเหมือนตาที่ไม่มีน้ําตาเนี่ยหลับตาก็ฝืดเครืองเห็นเห็นอย่างนั้นแหละแต่ถ้าหากว่ากุศลธรรมคือกุศลศีลเป็นต้นดีสภาพจิตจะเบา จะอ่อนจะคล่องนะปีติปราโมทก็จะเกิดถ้ายิ่งผู้ที่รักษาได้บริสุทธิ์นา น, านๆยิ่งนึกมากนึกถึงบ่อยๆปีติปราโมทก็จะเกิดมากเกิดมากฉะนั้นกุศลศีลที่รักษานั้นอ่ะเป็นกุศลที่เป็นเหมือนกับแผ่นดินอ่ะในปฏิสัมพิธามมรรคท่านกล่าวว่าศีลเนี่ยเป็นเหมือนแผ่นดินในรัฐวินิจฉุสท่านบอกว่าศีลเนี่ยเป็นเหมือนกับรถผลัดที่หนึ ถ้าร ถ, ร, ถรถพลัดที่หนึ่งได้สมาธิไม่ยากเพราะว่าจะรู้สึกภูมิใจตัวเองว่าเออเราก็ปฏิบัติตามคําสอนได้เสร็จแล้วจะนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าก็ง่ายการตามระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านั้นคือสมถะพระพุทธเจ้าทรงโอวาทพระธรรมคำสอนหมวดไหนก็จะนึกออกง่ายคล้ายๆกับมีพระพุทธเจ้ามาอยู่ใกล้ชิดตลอดนึกถึงพระธรรมคําสอนส่วนไหนก็ง่าย เมื่อง่ายพระธรรมคำสอนที่ตรึกบ่อยๆนั่นแหละก็จะบอกละอย่างเช่นที่พระรูปนี้ท่านบอกว่าโลกถูกมัดจุกราจัดไปนะพวกนี้เป็นเป็นอริยศัสตร์ไหมนะโลกถูกความตายเนี่กราจัดถูกชะาห้อมล้อมเป็นสัจจะไหมเป็นสัจจะข้อไหนทุกสัตว์เออที่ว่าแก่ตายนี่อะไรแก่อะไรตายใช่ไหมสัตว์ตายมีไหม ถ้าใช้คาว่าแก่ตายก็คืออุปาทานขันห้านั่นเองท่า น, นอุปาทานขันห้านี่ถูกชารากําจัดถูกถูกชารานี่ห้อมล้อมแล้วก็ถูกมรณะกําจัดอันนี้ก็เป็นเป็นสัจจะเลยนะท่านประกศรราศสัจจะแล้วนั่นคือท mm ุก hmm. ขสัจแล้วท่านยังยังเน้นอีกว่าราตรีล่วงไปเท่าใดชีวิตก็ล่วงไปเท่านั้นนี่บ่งถึงลักษณะของ ทุกขสัต ท, ที่มันชัดเจนว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันพร่องในตัวของมันเองเพราะมันเกิดด้วยปัจจัยเมื่อเกิดด้วยปัจจัยนี้ชรามรณะก็เล่นงานอยู่อย่างนั้นตลอดเสร็จแล้วถูกตันหาลูกศรคือตันหาเนี่ยเสียดแทงอยู่นะถูกความปรารถนาก็แผดเผาใช่ไหมหาอะไรต้านทานไม่ได้ทั้งอย่างนี่คือชีวิตของสัตว์ทั้งหลายทั่วไปนั้นเป็นไปกับทุกขสัตว์และสมททุทยัยสัตว์ นี่คือชีวิตของสังสารวัฏจะเป็นลักษณะนี้ก็จะไหลไปอย่างนี้นับตั้งแต่เด็กจนถึงชราถึงจุติจุติปฏิสนธิก็อนันตระปัจจยัยง่ายนิดเดียวก็วนกลับมาเป็นวิบากและกรรมชรโรอีกที่เรียกว่าชรามรณะเพียงแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนภพภูมิบ้เพราะว่าภพที่อยู่ของสัตว์ทั้งหลายนั้นพระองค์กล่าวว่าเป็นของชั่วคราว ไม่มีที่ไหนที่มันยั่งยืนถาวรนะอย่างสถานที่ที่เราไปอยู่เหมือนกับถาวรที่สุดเนี่ยนะไม่มีร็อกถ้าหากว่าแม้แต่รูปร่างกายที่เราเป็นอยู่กันทุกวันนะถ้าถ่ายภาพไว้แต่ละปีแล้วมาเทียบประกบกันนะภาพขณะนี้ก็ยืมมาจะถูกยืมใช้ตลอดเลยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเรือยเื่อยเรื ย, รย่ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นี่ปัญหาเหล่านี้แก้อย่างไร เมื่อชีวิตของเราเนี่ยเป็นไปในลักษณะเนี่ยเราจะแก้ปัญหาชีวิตอันนี้คืออะไรแก้อย่างไรใช่ไมแล้วสิ่งที่แก่ชราพาไปช่ยๆถูกปัญหาเล่นงานถ้าปัญหาปั๊บต่อด้วยกรรมปัญหาเกิดขึ้นอยากได้น่นได้นี่เป็นต้นเนนะมันจะต่อด้วยเจตนาที่เป็นกรรมและกายกรรมมจีกรรมตัวกรรมตัญหาคละเคล้ากันไปก็เชื่อไหมวันนี้สร้างภพชาติไว้อีกเท่าไหร่มันสร้างตลอดนะ ยินดีในอารมณ์อย่างหนึ่งก็สร้างอย่างหนึ่งยินดีสองอย่างก็สร้างสองอย่างยินดีทั้งวันก็สร้างทั้งวันอัน้นชีวิตก็จะเป็นไปในลักษณะนี้ถามว่าจบเมื่อไหร่ชีวิตเหล่านี้จบไม่ได้จบไม่เป็นถ้าไม่มีสารณ ะ, ะที่กล่าวอย่างนี้พ่อะไรเพราะว่าเราท่านทั้งหลายไม่ใช่พระปัจเจ ก, กับพุทธเจ้าพอที่จะตรัสรู้เองได้แต่ถ้าบุคคลทั่วไปนั้นที่เว้นพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คนเหล่านั้นต้องมีสรรนามีที่พึ่งพระพุทธเจ้าจะแนะนาเลยว่าเออชีวิตของคุณเป็นไปอย่างนี้นะคุณควรศึกษาศึกษาชีวิตนะศึกษาอย่างไรอะไรที่เป็นโทษศึกษาด้วยศีลค่อยๆแก้นะปัญหาส่วนหนึ่งแก้ด้วยศีลปัญหาอีกส่วนหนึ่งแก้ด้วยสมาธิปัญหาอีกส่วนหนึ่งแก้ด้วยปัญญาเนะพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญานั้นก็คืออุบาย แก้ปัญหาชีวิตเหล่านี้ น, นะเหมือนกับปัญหาชีวิตเราเราอยู่ขณะ น, นี้ใช่ไหมนั่งอย่างไรจึงเป็นเจตุปริสุทธิศีลแล้วก็ไล่ามานะนัะ้นถ้าเราไม่มีเจตุปริสุทธิศีลเราไม่ได้รับการแก้ปัญหาหรือปัญหาของเราก็ยังหมกเหมือนเดิมนะเรารู้ก็าตามไม่รู้ก็าตามชีวิตเราจะเป็นอย่างนี้แหละทั้นการแก้ปัญหาชั้นต้นผู้ที่ปฏิบัติธรรมอย่างไรก็ต้องขึ้นต้นด้วยเจตุปริสุทธิ์ศีลตามสมควรแก่ฐานะอย่างเช่นศีลสังวรเนี่ยนะ ศีลของพระก็ว่าของพระไปศีลของโยมก็ว่าของโยมไปแต่อินทร์สังวรเนี่ยถ้าใครมองเห็นใจเป็นบาปชั่วเท่ากันนะเพราะอากุศลลามกเท่ากันสำรวมตาหูจมูกเล้นกายใจไม่ให้ไหลไปกับอากุศลเรียกว่าอินทร์สังวรเข้าไปอยู่ในที่แห่งใดก็ตามต้องปัจเจกในที่แห่งนั้นเรียกว่าปัจจะยาสันิสิตศีล ชีวิตของผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์นในผู้ศาสนาต้องเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์อาชีพที่บริสุทธิ์สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเบื้องต้นพอเบื้องต้นแล้วศึกษาสามถะก็ง่ายเช่นเจริญมรณานุสติก็จะไม่เดือดร้อนใจเจริญเมตาก็ง่ายเจริญคุณธรรมชนอื่นๆก็ง่ายหมดเลยแต่ถ้าหากว่ากุศลธรรมคือกุศลศีลเหล่านี้ไม่ดีนะทําไงอ่ะตรงนี้ท่านก็บอกวิธีแก้ให้ใช่ไหม บอกว่าเปิดเผยซะนะถ้าเป็นพระก็ทําคืนไม่ใช่ว่าบาปบริสุทธิ์แก้ไม่ได้หรอกนะก็เหมือนกับ เ, เป็นอบัติหรือผิดศีลผิดธรรมก็เหมือนกับคนเป็นโรคอะ่ะใช่ไหมแก้ได้นะถ้าเธอเป็นปราชิกนะเธอเปลี่ยนส ม, มณะเพศซะไปเป็นสมณเณรหรือไปเป็นคารวาสไปก็ยังไม่ได้ห้ามมรรคผลเป็นอบัตสังฆาธิเศษเธออยู่ปริวาสนะนะถ้าเป็นอาอบัติต่ํากว่านั้นมาก็ไปแสดงคืนกับพระ ทีสู่รูปได้รูปหนึ่งแล้วตั้งใจสังวรสัมรวมระวังต่อไปนะอันนี้คือการแก้ปัญหาชั้นต้ น, นการแก้ปัญหาเหล่านี้แม้กระทั่งกลุ่มคารวาะก็คือการทําไงที่ไม่มีศีลก็สมาทานให้มันเกิ น, นไม่มีเออไม่มีก็รู้ว่าไม่มีแล้วแหะทํายังไงกุศลศีลเหล่านี้จึงจะเกิดขึ้นศีลจะเกิดขึ้นได้เพราะสมาทานหนึ่งเพราะวิรัติงดเว้นหนึ่งะก็พ่อพูนกุศลอันนี้ให้เกิดบ่อยๆ จเจริญบ่อยๆเนืองๆระลึกถึงบ่อยๆเนืองๆอย่างนี้เรียกว่าสีลานุสตินะถ้าเราสามารถที่จเจริญบ่อยๆอแล้วก็จะไม่เกิดความวิปฏิสารเดือดร้อนใจลเราจะไม่เดือดร้อนใจในปัญหาชีวิตของเราเอ๊ะโน่นก็ไม่ดีอันนี้ก็ใช่ไม่ได้ังั้นคนที่ใช้ชีวิตแล้วเดือดร้อนกับกายกรรมวจีกรรมของตัวเองนั้นจเจริญงอกงามในธรรมนี้ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าวิปฏิสารเกิดขึ้นปีติถูกตัดเลยนะ ถ้าปีติถูกตัดปราโมทถูกตัดถ้าปราโมทถูกตัดสุขถูกตัดถ้าสุขถูกตัดสมาธิถูกตัดถ้าสมาธิถูกตัดแล้วนะวิปัสสนาก็ถูกตัดเรียกว่ายะถาภูตยานัทสนะนะยานหนึ่งสองสามสี่เนี่ยถูกตัดเลยถ้าหนึ่งสองสามสี่ถูกตัดนิพิทาก็ถูกตัดมรรคผลนิพานตัดเลี้ยงเลยจะถูกตัดตัดตัดตัดหมดเพราะอุปนิสัยไม่มีอาการเจริญกุศลธรรมเนี่ย ไม่ใช่นานนะขัดที่กกรรมพอกุศลเกิดขึ้นปุ๊บอรอรับผลได้เลยตามสมควรแก่ปัจจัยแต่การเจริญกุศลธรรมนั้นเป็นอุปนิสัยปัจจัยวันนี้กุศลเกิดเท่านี้พรุ่งนี้ต้องมากกว่าต้องมีแต่เพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มมันเหมือนกับเพิ่มเม็ดเงินนั่นแหละเพิ่มเรื่อยๆๆจนมากมายมหาศาลจนเพียงพอจนคิดว่าปลอดภัยและชีวิตคิดว่าถ้าหากว่าบริบูรณ์ขนาดนี้น้อมไปเพื่อความเป็นเทวดาก็ไม่ใช่ของยาก มองเป็นง่ายๆเลยเหมือนกับการเกิดเป็นเทวดาเนี่ยมันเหมือนกับของที่กระจอกที่สุดเลยในสมณะเพศนะเหมือนกับในสูตรนึงอะ่ะที่ภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยท่านท่านไปเกิดเป็นเทวดาแล้วท่านเดือดร้อนใจโอ้ทำบุตสาหทปฏิบัติแทบเป็นแทบตายเนี่ยมาเกิดแค่นี้เองอะนะท่านท่านเดือดร้อนใจเพราะสมบัติเหล่านั้นเป็นของธรรมดาใช่ไหมท่านมั่นใจขนาดนั้นอะ่ะคือคือมั่นใจในเรื่องพบคติที่ไปของท่าน แต่ท่านเห็นสิ่งเหล่านั้นว่าไม่มีสาระนะเกิดพบใดชาติใดก็ตามในในสุขที่เรียกว่าปัญจวโวการภูมิก็ประกอบไปด้วยขันธ์ห้าใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณารูปประขันประกอบด้วยอะไรบ้างภูตรูปและอุปาทายรูปเพราะฉะนั้นไปที่ไหนพ้นธาตุดินมีไหม เป็นเทวดาพ้นธาตุดินน้ำลมไฟไหมไม่พ้นเป็นพรหมพ้นจากธาตุดินน้ำลมไฟไหมไม่พ้นเป็นเทวดาก็คือมหาภูต ร, รูปที่มีสมุดฐานจากกุศลจิตอย่างดีหน่อยเท่านั้นเองไปเกิดเป็นพรหมก็เป็นมหาภูต ร, รูปที่เกิดเป็นผลของฌานจิตเท่านั้นเองมันก็คือมหาภูต ร, รูปทุกพบก็คือมหาภูติรูปหมด เมื่อมีมหาพูตธรูปสีสันของมหาพูตธรูปที่เราเรียกว่าเลวยาปณิดละเอียดละออก็คือมหาพูธรูปนั่นแลมหาพูธรูปนั้นพระองค์จึงแสดงว่าสิ่งเหล่านี้เหมือนอสารพิษคบไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ทกอย่างเชื่อไม่ได้นะนั้นวิบากและกรรมชรูปก็จะเกิดขึ้นวิบากกรรมชรูปเหล่านี้ก็คือชาติชราพยาธิมรณะซึ่งมีตันหาเป็นสะพานเชื่อมให้ สะพานเชื่อมกรรมก็ให้ผลสะพานเชื่อมกรรมก็ให้ผลจนกว่าจะพิจารณาว่าอุปาทานขันท่าเหล่านี้มีโทษหรือไม่มีโทษมีโทษไหมมีโทษนะโทษของอุปาทานขันท่าคืออะไรใช่ไหมมรณะห้ามผ่านไงชาราห้อมล้อมเนี่ยก็คือโทษใหญ่ใญ่เลยแล้วโรภคภัยไข้เจ็บที่อยู่ในตรงนั้นเนี่ยมีเท่าไหร่ ส่วนไหนบางที่ไม่มีโรคอยู่เลยในในในขันห้าของเราเนี่ยนะในร่างกายเลยนะเบื้องบนตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปส่วนไหนที่เชื่อได้ที่สุดเลยไม่มีบกพร่องดีที่สุดเลยตั้งแต่คบกันมาเนี่ยมีไหมในร่างกายของเราไล่เลยนะโอ้โหตรงนี้เชื่อถือว่าเป็นสาระที่สุดอยากเชื่อว่าฟันนี่แข็งที่สุดแล้วนะถูกถอนเนี่ยส่วนเอ็นไม่ต้องพูดถึงเลย เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาพราะองค์จึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้เหมือนเป็นอาพาธเป็นอาพาธอาพาธก็คือป่วยไข้คําว่าป่วยนี่ไม่ได้แปลว่าเจ็บนะเจ็บด้วยหนึ่งก็คือป่วยบางอย่างไม่เจ็บใช่ไหมโรคบางอย่างไม่เจ็บแต่เป็นเหตุให้ไปเจ็บอีกอย่างหนึ่งแล้วโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นตัวรูปซึ่งเกิดเป็นโรคเนี่ยนะเมื่อกระทบกับโพตพารมเกิดกายวิญญาณเข้า อันกายยะวิญญาณอันนั้นก็ชื่อว่ามีรโรคอยู่ด้วยโรคอยู่ด้วยโรคตาปั๊บจักขูวิญญาณเกิดมันก็ชื่อว่ามีโรคอยู่ด้วยนะโรคหูโสตาวิญญาณก็ชื่อว่ามีโรคอยู่ด้วยโรคจมูกคานวิญญาณก็ชื่อว่ามีโรคอยู่ด้วยลิ้นมีปัญหาก็ชื่อจักขู oya, ชิวหาวิญญาณก็ชื่อว่ามีโรคอยู่ด้วยกายยะภาษาทั่วสาราพางกายไม่ดีก็คือโรคด้วยภวังคจิตที่หล่อเลี้ยงถึงความเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ต่างๆเนี่ยนะ พวังคจิตเหล่านั้นก็มาจากผลของบุญผลของกรรมแล้วบุญที่เราทำแล้วเรารู้หรือว่าเราทำไว้มากขนาดไหนว่าพวังคจิตของเราจะสืบเนื่องได้ยี่สิบปีสามสิบสี่สิบห้าสิบคือไอที่ผ่านมาถือว่าได้แล้วแต่แต่สิ่งที่พระองค์บอกว่าสถานที่ทิ้ทอดทิ้งร่างกายของสัตว์ทั้งหลายไม่มีใครรู้สถานที่ตายไม่รู้ อายุที่จะเหลืออยู่อีกก็ไม่มีใครรู้นะั้นประมาทได้อย่างไรผู้ที่เห็นแจ้งเรื่องนี้เท่าไรคนนั้นเรียกอะไรคนเห็นแจ้งนะเห็นแจ้งเป็นชื่อของอะไรปัญญาปัญญาคืนคือมัชชิมาปฏิปทาอันข้อปฏิบัติในผู้ศาสนาคือความรู้ขึ้นต้นด้วยความเข้าใจมองชีวิตออกตลอดสายนั่นเรียกว่าสัมมาทิฏฐินะ แล้วก็ใส่ใจปรารพเรื่องราวเหล่านี้บ่อยๆตรึกเรื่องนี้เพ่งเลยเรียกว่าฌานฌานอันนั้นก็คือสัมมาสังกัปปะแล้วถ้ากุศลเหล่านี้ไม่เกิดเสียหายแน่ทำยังไงกุศลเหล่านี้ปัญญาอันนี้จึงจะเกิดพอกพูนเจริญบ่อยๆ อ, อ, อันนั้นเป็นสัมมาวายามะใช่ไหมนั่นแหละพอกพูนเพียรพยายามบ่อยๆทาด้วยความไม่ประมาทนะเป็นไปตามหลักของคาสอนแปะเลยนั่นแหละทำด้วยความสงบ แล้วก็ก่อนหน้านี้ศีลดีมาแล้วใช่ไหมมันก็จะเคริ่มปรับตัวให้มันเข้ากันได้จนกว่าจะสมังคีกันได้นั่นแหละถ้ามักสมังคีเกิดขึ้นปิดอบายได้แหละนะเบาใจหน่อยก็คือปิดอบายได้แต่ถ้าอาริยมักไม่สมังคีไม่เกิดขึ้นโอ้สัตว์ทั้งหลายก็ไปด้วยกรรมนั่นแหละแตนี้ก็ช่างดูว่าอะไรมันมากขัดกันนะนั่นแะ มีความเป็นรอะมากครับที่พระพูทมีภาคทรงใ ห, ให้วิธีการแก้ปัญหาชีวิตของเราไว้ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นระยะกลางระยะยาวไว้อย่างดีทีเดียวนะถ้าหากว่าเราไม่แก้ปัญหาแม้กระทั่งขั้นต้นขั้นพื้นฐานขั้นศีนี่ อย่าไปหวังเลยนะครับไอ้ขั้นกลางเนี่ยมันจะจะแก้ได้นะครับแสดงว่าเรื่องศีลนี่มีความสําคัญมากเลยที่พระองค์ตัดไว้ว่าศีลบริสุทธิ์และทิฏฐิตรงนั้นเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์นเนี่ยนี่เป็นเป็นเนอ่อเป็นข้อความยืนยันแม้แต่พระสูตรนี้นะครับก็ยืนยันว่าศีลมีความสําคัญมากเลยก็ความสําคัญของศีลเนี่ยคิดดูนะพระวินัยเนี่ยสองหมื่นหพันระธรรมขันธ ใช่ไหมสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมอขันเท่ากับพระพุทธเจ้าสองหมืนหนึ่งพันองค์ไปอยู่ตรงนั้นนะ่ะสาคัญขนาดไห น, นพระสูตรเนี่ยนะพระพระวินัยกับพระสูตรเนี่ยโดยธรรมขันเท่ากันจะดูว่าความสําคัญเนี่ยเท่ากันเลยแล้วกล่าวว่าวินัยนั้นเป็นอายุของศาสนาด้วยพุทธศาสนาจะอยู่หรือจะไปก็อยู่มีพระวินัยเป็นอายุวินัยเยที่เตสาสนังที่ตัง วิเนโยนามะนะาศาะสนะอายุเมื่อวินัยยังดำรงอยู่าศาสนาก็ชื่อว่าดำรงอยู่นะเมื่อวินัยดำรงอยู่นะวินัยเนี่ยชื่อว่าเป็นอายุของาศาสนาอันมีความสําคัญขนาดนั้นถ้าศีลแล้ววิบัติเป็นต้นแล้วถ้าป ร, ราชิกกันหมดเลยเมื่อป ร, ราชิกเป็นต้นเนี่ยนะหรือเป็นอบ ბ ะบ่อยๆเนี่ยนะพระไตรปิฎกก็อ่านไม่รู้เรื่องละเชื่อเหลือกเกินว่าพระคุณเจ้าที่วินัยไม่ค่อยดี จะไม่ชอบค้นคว้าพระตตรปิฎกเพราะคนเมื่อไหร่มันก็โดนเราอ่ะที่พระองค์ตําหนิเนี่ยก็ตําหนิใครกว่าเราทั้งนั้นแหละก็เหมือนกับบอกว่าถ้อยคําปรารบศีลคนทูศีลไม่ชอบถ้อยคําปรารบทานคนตหนีไม่ชอบถ้อยคําปรารบศรัทธาคนไม่มีศรัทธาไม่ชอบคนถ้อยคําปรารบปัญป ญ, ญาคนไม่มีปัญญาไม่ชอบ คุศลธรรมเหล่านี้เป็นเรื่องของศีลสมาธิปัญญาอันพระไตรภิฎกทั้งหมดก็คือคำสอนที่เป็นไปกับศีลสมาธิและปัญญานั่นแหละอันคนที่ไร้สิ่งเหล่านั้นเขาจะไม่ภูมิใจเลยสมมติพูดถึงสมมตินั่งกันอยู่อย่างนี้นะมีเสยนค้ามาขายชิ้นหนึ่งห้าร้อยบาทสมมตินะโหน่ายินดีทุกคนเนี่ยเห็นแล้วต้องซื้อแน่นอนพากนนั่งทาตาปิดๆอยู่นั่นแหละซื้ออะไรใช่ไหม มาขายเท่าไหร่ก็ขายเถ้ะหมาเกี่ยวมาพาสักอย่างเลยเงี้ยมันก็จะรู้สึกอย่างนี้ใช่ไหมคนที่ไม่มีอะไรในเรื่องนั้นๆ น, นนะมันจะไม่ชื่นชมไม่สมบนับในเรื่องนั้นๆเลยฉั้นศีลเป็นต้นเหล่านี้จึงเป็นทรัพนะฉันที่ควรที่จะสแสวงหาถ้าเราไม่สแสวงหาในช่วงนี้นะช่วงต่อๆไปนี้คงยากพระองค์บอกว่าท่านทั้งหลายอย่าได้ปล่อยขณะให้ล่วงไปเลย เพราะว่าผู้ที่ปล่อยขณะให้ล่วงไปนั้นไปยัดเยียดอยู่ในนรกเป็นอันมากแล้วนั่นนะท่านจะพูดบ่อยนักเสียวครับผมนะ <c oughs> บางวันนะคิดอยู่เลยนะเราเนี่ยใกล้เต็มทีแล้วนะผมคิดอยู่เลยจริงๆครับเออทาให้มันทําให้ระมัดระวังสังวรเลยมากขึ้นเออพระสูตรนี้นี่นะฮ ะ, <c oughs> จะเจ็นว่าพระสูตรนี้แสดงถึงความสําคัญของศีล น, นะ แล้วก็ท่านลองคิดดูน ะ, ะพระมัทเถระสิริมัทเถระองนี้นี่นะครับก่อนที่จ ะ, จะเจริญวิปัสสนาและบรรลุมรรคผลนี่นะครับมีความปิติจากเห็นคุณของศีลแล้วผมก็เชื่อว่าพระเถระรูปนี้เนี่ยเห็นคุณของพระผู้มีพระภาคเป็นอย่างยิ่งทีเดียวใช่ไหมครับเนี่ยแสดงว่าต้องมีพุทธานุสติ พระวินัยนั้นสำเร็จด้วยศรัทธานะถ้าหากว่าผู้ที่ไม่มีศรัทธานั้นไม่สามารถที่จะรักษาศีลได้อันศรัทธาคือศรัทธาในอะไรก็ศรัทธาในพระผู้มีพระภาคผู้ทรงสแสดงเรื่องเรื่องศีล น, น, นะคือแต่ถ้ากรรมบทนะเป็นมนุษยธรรมพระพุทธเจ้าตัสรู้ไม่ตัสรู้ก็ตามเป็นมนุษยธรรมเป็นเรื่องธรรมดาของโลกปกติของโลก ถ้ากุศลกรรมบทรักษาไม่ได้ความเป็นมนุษย์ก็ยากแล้วนะเาเรียกว่ามนุษยธรรมถ้าฮิเรโอตา ป, ปะเป็นเทวธรรมพรหมวิหารเป็นพรหมวิหารธรรมนั้นคุณธรรมเหล่านี้นะพระพุทธเจ้าไม่ตรัสรู้สิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่แล้วแต่อธิศีและสิกขาคือพระวินัยบัญญัติที่พระองค์ทรงสแสดงมานั้นเนี่ยมันเป็นบทบัญญัติพิเศษขึ้นมา ที่พระองค์ทรงสแสดงพระวินัยโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการนะพระวินัยบัญญัติที่พระองค์ทรงบัญญัติขึ้นมานั้นอาศัยอำนาจประโยชน์10บประการข้อที่หนึ่งเพื่อรับว่าดีแห่งสงสงสมัยนั้นนะสงสมัยพุทธกาลที่เป็นสาวกจริงๆของพระผู้มีพระภาคสองเพื่อสําราญแห่งสงสาเพื่อข่มบุคคลเกอยากเกอนี่แปลว่าอะไรเคยไปเกอร์ไหมไป อ, อ้อะ เกอยากก็คืออายยากเขาไม่อยากแปลตรงอันนะ <c oughs> แปลตรงเรียกกันหน้าด้านใช่ไหมเพื่อคมบุคคลผู้เกอยากเพื่ออยู่สํารานแห่งภิกษุผู้มีศีลอันเป็นที่รักเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสเพื่อความเลื่อมใส ย, ยิ่งยิ่งขึ้นไปของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วนนแล้วก็เพื่อกําจัดอาสวะ กำจัดอาสวะในที่นี้เป็นชื่อของความเสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นต้นนะนะทุกโทษภัยต่างๆที่จะเกิดในโลกนี้เมื่อเธอปฏิบัติตามนายนก็จะกำจัดอาสวะเหล่านี้ได้ป้องกันอาสวะคืออบายเป็นต้นในในภายหน้าและก็เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมปริยัติสัทธธรรมปฏิบัติสัทธธรรมปฏิเวศศัทธรร ม, รรมและก็สุดท้ายเพื่อ ความเพื่อถือตามพระวินยัยพระวินัยมีสอย่างหนึ่งสังวรวินยัยสังวรวินัยยังแบ่งเป็น5อย่าง 2. ปหานวินยัยปหานวินัยแบ่งออกเป็น5อย่างสมัตถาวินัยคือที่กรณะสมัถ์เจตและพระวินัยบัญญัติทั้งหมดอันพระองค์นั้นทรงบัญญัติวินัยเพราะอาศัยอํานาจประโยชน์10 ป, ประการนี้อันผู้ที่จะศึกษาปฏิบัติตามได้ผู้นั้นก็มีศรัทธาก่อน ถ้าหากว่าไม่มีศรัท ธ, ธาไม่สามารถที่จะบำเพ็ญได้เขาเรียกว่าศรัท ธ, ธานั้นเป็นตัวที่ทำให้บริบูรณ์จะบริสุทธิ์ได้เพราะการแสดงแต่ถ้าอินทรีสังวรศีลนะมีสติเป็นเครื่องสำเร็จต้องสติต้องบ่อยมากจึงจะรักษาอินทรีสังวรศีลได้ที่มองเห็นแล้วใจไม่เป็นบาปหูได้ยินเสียงใจไม่เป็นบาปถ้าลงลืมสติ สอบตกเลยนะอินทรีสังวรศีลไม่ได้แต่ถ้าล่วงแล้วทำงางอธิษฐานว่าข้าพเจ้าจากไม่คิดอย่างนี้อีกต่อไปนะคือจะไม่ปล่อยให้ใจเป็นบาปไปในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอีกต่อไปให้อธิษฐานจึงจะบริสุทธิ์ได้แต่สำเร็จด้วยสติแต่ถ้าหากว่าการพิจารณาปัจจัย4ี่นั้นต้องสำเร็จด้วยปัญญานะจะบริสุทธิ์ได้ด้วยการพิจารณา ต้องหมั่นพิจารณาบ่อยๆปัญญาเนี่ยจึงจะเกื้อกูลขึ้นมาสาเร็จด้วยปัญญาส่วนอาชีวะบริสุทธิ์ที่ศีลนั้นสําเร็จด้วยความเพียรบริสุทธิ์ได้ด้วยการสแสวงหาอย่างโดยธรรมนั่นแหละเพราะถ้าหากว่าขาดศรัทธาขาดสติขาดปัญญาขาดวิริยะขาดธรรมะเหล่านี้แล้วไม่สามารถที่จะทำศีลให้บริบูรณ์ได้ เมื่อศีลไม่บริบูรณ์แล้วกุศลธรรมชั้นอื่นๆก็ก็อับและหมายถึงตัวจิตนะแต่ในการรับรู้ข้อมูลตาทางตาเช่นอ่านตะไครบดกอ่านหนังสืออาจจะได้แต่ในคุณธรรมคือในด้านจิตใจเหล่านั้นเนี่ยเกิดยากท่านจึงกล่าวว่าศีล น, นั้นศีลมีลักษณะสองอย่างหนึ่งรวบรวมควบคุมกายวาจาไม่ให้ร่วงละเมิดเสียหาย 2. เป็นที่รองรับกุศลธรรมนี่คือลักษณะของศีลรองรับกุศลธรรมชั้นสูงๆต่อไปแล้วก็ศีลนั้นหน้าที่ของศีลเนี่ยนะกำจัดความคดความโกงทางกายทางวาจาออกไปนะแล้วก็ศีลเหล่านี้มีการถึงพร้อมด้วยกายวาจาก็ ค, คือมีความสะอาดนั้นเป็นอาการปรากฏดังั้นคนนั้นจะต้องสะอาดกายสะอาดวาจา อันเมื่อวันก่อนพูดอะไรไว้วันหลังก็พูดเหมือนเดิมแนวเดียวกันเป๊ะเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นเครียกว่ามีความสะอาดเป็นอาการปรากฏมีฮิริโอตะปะเป็นเหตุใกล้นะอันถ้าคนที่รักษาศีลได้คนนั้นต้องเป็นคนที่ละอายต่อความเชื่อกลัวต่อบา ป, ประกรรมจริงๆเขาจึงจะรักษาศีลได้อันกุศลศีลเหล่านี้เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์นะเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ ถ้าหากว่ากุศลธรรมเหล่านี้ไม่ดีอยากพูดไหมว่ากรรมมีผลอยากพูดไห ม, ไมพราะพูดเมื่อไร่ เ, เรากมา็มันทำแต่มันไม่ค่อยดีเลโลภะทั้งนั้นโทสะโ ท, ส ะ, โทสะมีโทษหรือไม่มีโทษมีโทษให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ผู้รู้ติเตียนหรือสารเสริญติเตียนอีกพะะนันศีลตัวเองก็ไม่ดีโทสะเกิดบ่อยเอยกรรมตงสัยจะไม่มีผลนะมะนะจะเป็นเหตุให้เกิดทิฏฐิได้ง่าย เมื่อมีคนมาชักชวนอย่างใดอย่างหนึ่งนะคุณเอาคาถานี้ไปท่องสิคุณจะปิดนรกได้โอ้โหเชื่อมากเลยนะเฮอเลยอะ่ะเพราะคนนี่เริ่มเบนและวนั้นพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นรัตนะน ะ, ะพุทธศาสนาพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังครัตนะคำว่ารัตนะนั้นแปลว่ามีความหมายนัยหนึ่งว่าเป็นที่ใช้สอยสำับ เป็นของที่ใช้สอยไม่สาธารณะแก่บุคคลทั่วไปยกตัวอย่างเช่นราชสมบัติอย่างเงี้ยเป็นของสาธารณะไหมทุกคนเป็นพระราชาได้ไหมไม่ได้พุทธศาสนาเป็นของที่ไม่สาธารณะกับสัตว์ทุกหมูเ่เหล่าเป็นของคนมีบุญของอามาคิดอย่างนี้นะพอฟังอย่างนี้ก็บอกเออเราบุญมาน้อยไม่เป็นไรแต่จะทําบุญอนะ่ะเอาเองก็บอกว่าเหม็นเหมือนกับเราเคยได้ฟังชาดกหลายๆเรื่อง หรือประวัติของพระเถระสมัยก่อนบอกเอเราเกิดมาจนสงสัยเราไม่เคยทําบุญเอาไว้ช่างมันเถอะอดีตมันผ่านไปแล้วแต่ว่าประวัติศาตร์ต้องไม่สามรอยมีน้อยทําน้อยมีมากทํามากทําตามกําลังสติปัญญาอั้นของเราก็เหมือนกันเอ๊ซับในอดีตคือศรัทธาเป็นต้นคงอ่อนแน่นอนอ่ะจึงเกิดห่างพระพุทธเจ้าตั้งสองพันกว่าปีอ่ะเออแต่ก็พอรู้ตัวแล้วก็อย่าประมาท น, นะ น, นอะก็คาถาของคนประมาทเมื่อไงยัดเยียดอยู่ในอบายเยอะแล้ว เดราชานเนี่ยโหปลวกจอมปลวกที่เดียวเนี่ยกี่ตัวพึ่งรวงหนึ่งรังหนึ่งเนี่ยเท่าไรนะเป็ดแต่ละฟาร์มไก่แต่ละฟาร์มหมูแต่ละฟาร์มนี่มากมายแล้ว น, นั่นแหละเป็ดนี่ก็โหมากมายมหาศาลนารกเอกมันแออัดยัดเยียดอยู่ในนั้น น, นี่แหละท่านเราไม่ต้องไปเพิ่มก็ไม่เป็นไรเนาะ น, นั่นแหละท่า น, น, นถ้าหากว่าเราไม่มีฮิเรโอตาปะไม่อายชั่วกลัวบาปไม่มีกรุณาต่อตัวเองจริงๆนะ จะไม่ต้องการเจริญกุศลธรรมเท่าไรหรอกใช่ไหมเอะไม่เท่าไรตรงแนะ่ใช่ไหมแต่ถามว่าผลเหล่านั้นใครเป็นคนรับก็นะเขาบอกว่าพูดสํานวนกรรมมศกตาเบื้องต้นกับตนนั่นแหละเป็นผู้ผู้รับเธอคําว่าตนในที่นี้เนี่ยแปลว่าเป็นการสืบเนื่องของขันธสันดานพระสมบัติกระเด็กชายสมบัติคนเดียวกันไหมคนเดียวไหมไม่ใช่นะคนละคนใช่ไหม พูดยากนะอา้าวถ้าบอกว่าคนเดียวกันทำไมไม่เหมือนเดิมถ้าคนละคนถ้าเกิดไปกู้นี่ใครไว้อะใช่ปะหรือไม่ต้องใช้อา้าวมันคนละคนแล้วใช่ไหมแต่ระบบการสืบเนื่องนี่แหละก็คือเรียกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกา ร, รเป็นของตนในลักษณะนั้นเมื่อกุศลกรรมเหล่านี้อ่อนทำไงอ่ะนั้นสัตว์ทั้งหลายก็จึงศึกษาการเจริญกุศลธรรมการให้ทานเป็นต้นก็เป็นอุบายเครื่องละโลภะ นะการเจริญกรรมฐานส่วนหนึ่งก็เป็นอุบายเพื่อสงบระงับจากโลภะการเจริญพรหมิหารก็เป็นอุบายเพื่อระงับอกุศลประเภทโทสะการศึกษาเรื่องวิปัสสนาเป็นต้นก็เป็นอุบายเพื่อระงับโมหะซึ่งช่วงนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของอุบายในการระงับโทสะเพื่อที่จะเพิ่มพูนพอกพูนเมตตาขึ้นนะว่าเมตานั้นไม่มีโทษโดยประการทั้งปวง แต่คนไม่มีปัญญาเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดว่าเมตตาเกินประมาณจะก่อความรำคาญไม่ที่สุดคำว่างั้นแต่คํานี้ไม่ใช่สุภาษิตแน่นอนนี่นั่นแหล ะ, หล ะ, ะแต่แต่เพราะเมตตานี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศล ม, มีโทษหรือไม่มีโทษผู้รู้ติเตียนหรือสารเสริญสารเสริญแต่ว่าคนไม่มีปัญญานั้นอ่ะอาจจะเข้าใจเมตตาผิดไป อ่ะสมมุติว่าคนมีเมตตาใช่ไหมคนมาขอทานแล้วให้ไปเลยไม่แน่นะว่าให้ด้วยเมตตาหรือให้ด้วยความรำคาญนะพอให้ไปเรื่อยๆเพื่อตัดความรำคาญแต่ถ้ามีเมตตานะคนที่มีเมตตานี่เขาจะแนะนําด้วยใช่ไหมอย่างคนมีเมตตาให้ทานเนี่ยเขาไม่ได้ให้ทิ้งๆว่างๆนะเขาให้เสร็จแล้วเขาแนะนําถ้าคนรักต้นไม้จริงๆนะเขาจะไปรดน้ำพรวนดินด้วย คนที่มีเมตตาจริงๆเมื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับบุคคลใดเขาจะเกื้อกูลบุคคลนั้นโดยนัยะต่างๆไม่เลิกรานั่นแหละแต่ถ้าหากว่าเขารู้ว่าแก้ไขไม่ได้เขาก็จะไปตามกรรมของเขาเราเองก็เหมือนกันถ้าไปเป็นอกุศลกับเรื่องนั้นเราก็จะไปตามกรรมของเราเหมือนกันดังั้นคนที่มีเมตานั้นกรรมมักตาจะต้องมั่นคงไม่ใช่ว่าจะเสกได้ทุกเรื่องไม่ใช่ว่าจะทาได้ทุกเรื่องเราระดับไหนใช่ไหม สมมติว่าอากาศสักสิบองศาใช่ไหมถือว่าหนาวเลยนะเย็นกันนั้นอีกก็หนาเรามีความร้อนอยู่อันเดียวนะมีแอรเครื่องทําความร้อนอยู่อันเดียวอะ่ะหนาวใช่ไหมมามามาคิดว่าจะทําให้คนทุกคนนี่อุ่นได้ไหมไม่ได้ถ้าอากาศสี่สิบองศาร้อนไหมร้อนมีแอร์อยู่ตัวเล็กๆอยู่อันหนึ่งอ่ะนะติดๆแบดับเนี่ย <c oughs> เสร็จแล้วบอกมามาใครร้อนมาใช้แอร์บริการอันนี้ ของเราก็ลักษณะเดียวกันสัตว์ทั้งหลายเนี่ยในโลกเนี่ยเขาก็มาด้วยอกุศลของเขาอ่ะนะของเราเองก็กนี้เดียวอะ่ะบุญเรามีแค่นี้เมื่อเราบุญมีแค่นี้ไม่ใช่ว่าเราจะช่วยโลกได้ทั้งโลกช่วยโลกภายในให้ได้เถอะนะจิตให้มันบาปน้อยๆหน่อ ย, น, อ ย, น, อยนี่ก็ถือว่าวิเศษแล้วนะนั่นแหละเชื่อว่าหาเกาะหาที่พึ่งให้แก่ตัวเองเพราะฉะนั้นทําอย่างไรกุศ ล, ลจิตจึงจะเกิดได้บ่อย ถ้ากุศลจิตเกิดได้บ่อยมันจะเริ่มแก้ปัญหาที่ตัวเองได้ทุกคนนะสมมุติถ้าหากว่าทุกคนยืนอยู่ในที่ที่แดดมันร้อนนะถ้าเราสามารถปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาได้อันหนึ่งนะเรามีที่พึ่งแล้วเดี๋ยวคนอื่นจะมาขออาศัยการศึกษาพระธรรมคําสอนก็เหมือนกันถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมคําสอนจริงๆสามารถที่จะช่วยเหลือให้ตัวเองมีความสุขได้เดี๋ยวคนอื่นเขาก็สแสวงหาศึกษาอีกนั่นแหละ ฉันไม่ต้องหนักใจเรื่องเผยแผ่ก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเผยแพผ่ภาคแอร์มันเล็กอะ่ะไม่แน่นะอาจจะไปเข้าโรงซ่อมก็ได้ทําไปทํามา ม, มือแต่ซ่อมแอร์เหมือนทามานี่แหละบางทีถ้าไม่รู้ประมาณก็ซ่อมแต่ค อ, อนั่นแหละไม่ต้องทําอะไรกันแล้วนั่นแหละฉันเรียกว่าโอกาสจังหวะสถานที่ความเหมาะสมดั้งหลายๆเรื่องเราต้องเข้าใจเมื่อเราเข้าใจแล้วเราจะวางใจได้ถูกเราจะรู้ว่าเออกิจขณะนี้ควรทําอะไร นะคนที่สามารถเข้าใจว่ากิจแต่ละขณะแต่ละขณะควรทำอะไรคนนั้นฉลาดที่สุดเลยลมเย็นเย็นมากระทบเนี่ยควรทำกิจอะไรควรทำยังไงดีถ้าจะปฏิบัติให้ถูกต้องโดยทรรที่สุดเลยแบบคนมีาศาสนาะแบบคนมีศารณาเนี่ยลมกระทบเย็นเย็นมาทำยังไงทำอย่างไรสิกขาสามจริงจะเกิดลองอเอาลองช่วยท่านอาจารย์หน่อยสิท่านจะได้พักบ้างเอา ถ้าสมมุติเราเราได้รับลมเย็นๆสบายๆเนี่ยนะแล้วก็ถ้าไม่ให้จิตเป็นอกุศลนะเราจะโยนิโสยังไงเอาอยีานีดีกว่าหรือท่านจะสังวรยังไงเพราะว่าที่ท่านกล่าวไว้ว่าจตุ ป, ปาริสุทธสีน่สี่ข้อนะครับข้อที่หนึ่งได้แก่ได้แก่ปาติโมข้อที่สองได้แก่อินสียสังวรข้อที่สามได้แก่ปัจจยะ สันนิสิตศีนนะครับคือพิจารณาปัจจัยนะครับอีกอันคืออาชีวปาริสุตสีนเนี่ยเราเห็นว่าเราคาราวานนะครับพระภิกษุสอ์นี่ชัดเจนมากนะจตุปาริสุตสีนีน่สี่ข้อนี้นะชัดเจนหนึ่งปาติโมกท่านเป็นบรรพชิตนี่ชัดเจนบัญญัติไว้แน่นอนนะแต่เราในฐานะคาราวา น, นี่ก็คงจะตามสมควรแก่เพศถูกไหมครับ ถ้าค า, ารวาสนึกถึงศีลไม่ออกก็นึกถึงศาสกะสัมปชัญญะนะขณะที่ลมเย็นๆกระทบมาเนี่ยประโยชน์คืออะไรของสิ่งนี้ก่อนใช่ไหมขึ้นต้นด้วยศาสตะกะสัมปชัญญนะถ้าเรารู้ว่าประโยชน์ของสิ่งเหล่านี้คืออะไรได้เสร็จแล้วต่อไปสปายะไหมใช่ไหมถ้าสปายะได้นะศาสกะได้สปายะไ ด, ะได้ต่อไปก็ใส่ใจในคําสอนต่อได้นั่นแหละ นั้นถ้าหากว่าเรามองในแง่ของจตุปริสุทธิ์ที่ศีลไม่ออกก็ใส่ใจในลักษณะของสัมปชัญญะศาสกะสัมปชัญญะกส ป, ปายะสัมปชัญญะก็คือศีล น, นั่นเองนะเพียงอีกศาสต์หนึ่งเท่านั้นเองนะเพราะถ้าหากว่าผู้ที่ไม่สามารถบำเพ็ญศาสกะสัมปชัญญะได้ศีลก็รักษาไม่ได้จัดส ป, ปายะไม่ได้ศีลก็ไม่สามารถที่จะรักษาได้นะถ้าเรานํเาเอาหัวข้อเรื่อง จตุปาลิสุทธสีนี่นะครับสีข้อที่สองสำหรับข้อแรงเนี่ยผมคาราวานเนี่ยก็คงจะไปเป็นสีล้าสีแปสีสิบตามสมควรกับเพศถูกไหมครับเนาถ้าหากว่าเราสมาทานอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับอผมเชื่อว่าคงจะอย่างน้อยสุดก็มีสีห้านะฮะตัวนี้พอขึ้นอินซียะสังวรนี่นะครับอินรียสังวรนี่นะฮะก็เป็นเรื่องที่ ที่เราไม่ค่อยเราไม่ค่อยได้มีศีลข้อนี้ของธรรมาถูกไหมครับสำหรับพระราชาเนี่ยนะได้ยินอย่างพวกการพูดอย่างนี้นะนึกถึงตรงนี้ที่ว่าพระธรรมแต่ละธรรมขันเนี่ยมีค่าเท่ากับพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์ครับคือพระพูดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยขณะที่ตาเห็นหูได้ยินเป็นต้นเนี่ยนะมีพระพุทธเจ้ามาอยู่ใกล้ใกล้สักองค์ก็อย่างห น, นึ่งใช่ะก็คือให้ให้นึกถึงคําสอนได้สักสูตร สักหมดหนึ่งก็ยังดีเพื่อที่จะได้เป็นอุบายครับในการพิจารณาอในอชิตะมาณวากระปัญหากล่าวว่าโลกอันอะไรหุ้มห่อไว้นะโลกอันอะไรหุ้มห่อไว้โลกอันวิชาหุ้มห่อไว้โลกไม่ปรากฏเพราะอะไรเพราะความประมาทเพราะตนีโลกอันอะไรฉาบทาไว้ปัญหาฉาบทาไว้อะไรเป็นภัยใหญ่ของโลก ทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกนั่นแหละความทุกข์ทั้งหมดนั่นแหละเป็นภัยใหญ่ของโลกงั้นถ้าเราสามารถที่จะปราลบถึงคําสอนได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะชีวิตในอินทรีย์สังวรไม่ยากครับนนะตนนัวนี้อ่าอินทรียสังวรนี่นะครับอ่าหมายความว่าถ้าเราไม่มีอินทรียสังวรนี่แล้วเนี่ยนะจิตก็ตกไปในอกุศลตัว น, นี้สําหรับค า, ารวาสนี่นะครับ สำหรับอักขุสนเนี่ยเ ล, เล็กๆน้อยๆเนี่ยผมอ่านในพระไตยพิดกไม่ไม่ค่อยได้เพ่งเล็งนักเช่ น, นเอื้อมมือไปหยิบแก้วน้ํามาดื่มเนี่ยไม่ค่อยเห็นพระ อ, องค์แต่ว่าโอ้ยนั่นเป็นโทษมากนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นอย่างนั้นนะสำหรับคารวาสนะฮะแต่ว่าถ้าคิดอย่างนี้ในในสติปัฏฐานเนี่ยพระ อ, องค์แสดงกับชาวกุรุใช่ไหมครับเจนพรแล้วก็ชาวกุรุนั้นสใส่ใจในสติปัฏฐานทั้งคารวาสและมันเป็นจริงศาสตรกะสัมพัชญะแสดงกับ ชาวกุรุเพราะฉะ น, นชาวกุรุเขาบำเพ็ญได้นะก็หมายความว่าทั้งคารวาสแล ะ, และบัณฑิตก็ฝึกไดก้ฝึกได้แต่ว่าคือว่าฝึกขั้นเรียกว่ามีสัพพัญญาศีขนาดเอื้อมไปเอื้อมมือเนี่ยไม่ใช่ของง่ายนะครับข อ, ของมาจึงคิดในลักษณะว่าเอาก่อนว่าเออนั่งทั้งสมมติถ้าจะไปนั่งที่ไหนสักชั่วโมงหนึ่งนะมันจะได้กุศอสักข้อไหม คือกนเอมันกำลังจะพูดถึงตอนนี้ครับหมายความว่าเราในฐานะคาราวาเน่ไอ้เรื่องที่มันเป็นอกุศลหยับหยาบเนี่ยที่เรามักจะปล่อยไปบ่อยๆอย่างนี้นะครับนะปล่อยไปจนกระทั่งมันมันแรงจนหน้าเกลียดนี่นะมีบ่อยๆใช่ไหมเนื่องจากว่าเมื่อเมื่อเมื่อมีอารมณ์เข้ามาปรากฏทั้งทวารทั้งหเนี่ยนะคิดว่าได้ปัจจัยนะมันและมันคือว่าเราไม่ควรจะปล่อยขนาดนั้นแต่เรามาคิดว่าโหนี่เราควรจะขนาดที่เอื้อมมือไปนี่เกิดนี่โลภะแล้วนี่นะนี่จิตตชารูปเนี่ย จากกิตที่เป็นโลผ้าเอื้อมมือไปเนี่ยยกขึ้นมาเนี่ยเป็นโลภ้าเนี่ยนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยจ ร, จริงอยู่เป็นอกุศลถูกไหมครับเป็นเป็นโลผ้าจริงนะครับแต่ว่าโลผ้าหยาบหยาบหรือว่าโทสายหยาบหยาบนั่นน่ะมีมากกว่านั้นแต่เราก็ยังไม่มีวิธีการที่จะไม่มีไม่มีโยนิสวมณชิการหรือไม่มีปัญญาหรือไม่มีศีลที่จะไปทําอีก อ ก, กุศลหยาบหเนี่ยนะให้บรร<ช>เท<อ>าลงซะก่ อ, ถขอขนถ้ากรรมสกตาเราไม่แน่นนะเราจะไม่เห็นโทษของสิ่งนั้นๆเลยครับคือคือไม่คิดว่าเอ๊ะเจตนาที่ทําให้เกิดการพูดการจับการอะไรต่างๆเหล่านี้นะเจตนาเหล่านั้นเป็นกายกรรมนะ<อ>มีโทษถ้าหิริโอตาปะเหล่านี้นะไม่ค่อยเกิดหรือกรรมสกตาไม่แน่นจริงๆเนี่ยจะไม่เห็นโทษเลยเมื่อไม่เห็นโทษเนี่ยนะกรรมสกตาไม่ดีเนี่ยศิกขาสามเจริญไม่ได้เอางี้ได้ไหมครับ คือสำหรับคาราว่านี่นะเอาเป็นว่ากําลังคิดจะตําหนิใครนี่นะฮะหรือจะดุใครก้าวร้าวใครหรือว่าทำอะไรก็ไอหยับหยาบแค่นี้เนี่ยเพียงแต่บรรเทาด้วยบรรเทาด้วย อ, อินซียสังวรเนี่ยน ะ, ะก็เก่งแล้วนะครับแม้ว่าเราเริ่มฝึกอยากอ ย, าอย่างนี้ไปก่อนเนี่ย <จน S 1> เ ป, <อ><ไ>ปเพราะว่านน ค, คนที่มีอินทรียสังวรนั้นก็คือการ<ม>นึกถึงคําสอนอย่างใดอย่างหนึ่งมไม่มีอินทรียสังวรคืออย่างไร นะพิสูจนในธรรมวินัยนี้เมื่อเห็นรูปด้วยจกักษุแล้ว <c oughs> ไม่ถือโดยนิมิตไม่ถือโดยอนุพยัญชนะซึ่งอันเป็นเหตุให้บาปอากุโสลธรรมอลา ม, มกเกือพิชาและโทมานต์จะเกิดขึ้นได้เนี่ย น, น <c oughs> ะครับอย่างไรชื่อว่าถือโดยนิมิตอนุพยัญช น, ะนะนิมิตคือสุภาณิมิตปฏิฆานิมิตและอุเบกานิมิตถ้าสายใจโดยความเป็นสุภานิมิตโลภะถ้าสายใจโดยปฏิฆานิมิโตโทสะถ้า มัชชัตอุเบคานิมิตเป็นโมหะก็คือคิดยังไงก็ได้ให้มันเป็นกุศลสักข้อหนึ่งก็ยังีไดะทีนี้ถ้าคนที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมคําสอนอย่างละเอียดระดับหนึ่งหรือจําคําสอนไม่ได้แม้แต่สูตรเดียวเป็นต้นเนี่ยนะจะมาแก้ยังไงเอาอะไรมาเป็นเครื่องแก้เพราะานักพุทธศาสนิกชนหรือสาวกนั้นนะต้องนึกถึงคําสอนอย่างเดียวก่อนพอนึกถึงคําสอนหมวดใดหมวดหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งเสร็จแล้วค่อยๆเชื่อมต่อไป ค่อยๆเยอะโยงคําสอนนั้นต่อไปว่าไปสัมพันธ์กับเรื่องอื่นๆได้อย่างไรแต่ถ้าหากว่าขึ้นต้นแล้วไม่มีการฟังไม่มีการทรงจําเนี่ยหมดสิ้นเลยจบเลยเพราะฉะนั้นปุตุชนผู้ไม่ได้สดัตบผู้ไม่เห็นอริยะไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อนะเห็นด้วยตาเนื้อก็ไม่ชื่อว่าเห็นอะไรปุตุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับผู้ไม่เห็นอริยะไม่ฉลาดในอริยะไม่ครบสัตว์บุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตว์บุรุษเป็นต้นเนี่ยก็จะใช้ชีวิตแบบนั้น แต่ถ้าหากว่าผู้ที่เห็นอริยะก็คือเห็นด้วยปัญญาได้ฟังธรรมะของพระอริยะคือของพระพุทธเจ้าไป็นต้นแล้วก็คิดตามนั้นไปนั้นน่ะเขาจึงเรียกว่าพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนหรือพุทธสาวกผู้ต ร, รัดสูรผู้ที่ศึกษาตามคําสอนของพระผู้มีพระภาคดังนั้นการทรงจําเป็นต้นเนี่ยนะจึงเป็นเหตุให้บรรลุอรหัตผลแต่ถ้าหากว่าตั้งแต่การฟังการทรงจําไม่มีแล้วนะ วิปปนาถะพิคเวว่างง้นปฏิบัติพลาดแล้วนะมิชชาเอ่อมิชชาปฏิปันาฐะพิคเวปฏิบัติผิดแลว้วนะดูความพิสูจ์ทั้งหลายโมฆะบุรุษห่างไกลาจากธรรมวินัยนี้เพียงไรเมื่อเราไม่ได้นึกถึงคำสอนในขณะนั้นๆ น, น, นะเราห่างจากพระศาสนาขนาดไหนในขณะนั้ น, น, นห่างจากศีลสมาธิปัญญาห่างจากกุศลธรรมขณะจิตนั้นเนี่ยเราห่างจากอารหันต์แล้ว ขณะที่จะเป็นอากุศลพระอรหันเนี่ยห่างจากเราแล้วนะอรหันเนี่ยอีกคำหนึ่งก็คือไกลจากคนมีกิเลส <c oughs> ขณะที่โทสะเราเกิดพระพุทธเ จ, จา้ า, าเป็นต้นก็ไกลแล้วห่างมากนะใช่ไหมแค่คําสอนเรานึกไม่ออกขณะนั้นเนี่ยสัมมาสัมพุทธโธวิชาจารณปัณโนก็ห่างสัตยธรรมก็ห่างอ่ะนะพระสงค์ที่ปฏิบัติดีเป็นต้นก็ห่างเพราะว่าความปฏิบัติหมายถึง ประพฤติตามคําสอนผู้ที่ประพฤติตามคําสอนนั่นแหละเรียกว่าพระสงฆ์อั้นถ้าคนที่ปล่อยจิตเป็นไปกับอกุศลเนี่ยพระสงฆ์จะมาใกล้ท่านเหล่านั้นไหมพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอ่าถ้าหากว่าเราครบคนที่ต่ํากว่านะมีส่วนต่ํากว่าพระองค์เนี่ยไม่ให้คบคนที่ต่ํากว่าอย่างน้อยที่สุดให้คบคนเท่ากันถ้าจะคบคนที่ต่ํากว่าตั้งใจไว้เพื่อจะสงเคราะห์เขาถ้าสงเคราะห์ไม่ได้ก็ให้ห่างไว้ก่อนอพระองค์ให้ห่าง ของเราเราก็คิดดูเอ๊พระพุทธเจ้าส่งเคราะห์เราหรือเปล่าการที่จะรู cous cous ้ว่าพระพุทธเจ้าส่งเคราะห์เราไ้ยเราก็ดูว่าเอ้เราคิดถึงคําสอนบ่อยไหมพระพุทธเจ้าส่งเคราะห์เราเท่ากับเราคิดถึงคําสอนนั่นแหละคิดถึงบ่อยพระพุทธเจ้าก็ส่งเคราะห์เราบ่อยเราก็จะใกล้พระสงฆ์บ่อยเพราะพระสงค์ก็คือคนที่ปฏิบัติตามคําสอนคนที่ปล่อยจิตปล่อยกายวาจาเนี่ยไปตามคําสอนคือพระวินัยเป็นต้น ปล่อยจิตเป็นไปกับคําสอนปล่อยจิตเป็นไปกับกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนั่ น, นคือพระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงนะแล้วก็ปฏิบัติเพื่อเหมือนการปฏิบัติเหล่านั้นเพื่ออะไรเพื่ออริยมรรคทั้งนั้นเลยแลนะอย่าลืมว่าถ้าหากว่าผู้ที่ไม่ได้อริยมรรคก็คือไม่ถึงฝั่งเมื่อไม่ถึงฝั่งนะอปปากเตมนุเซสุนะหมูสัตว์ที่เลาะไปตามฝั่งนี่น่าสงสารที่สุดเลยเลาะฝั่งไหน ฝั่งคือส ก, กาญาติทนะิเห็นรูปโดยความเป็นตนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นตนอันเราเนี่ยเลาะแต่ฝั่งในตลอดอันพวกเรานั้นโดยรูปประกายก็ห่างพระร่ะหางพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสองพงกว่าปีแล้วถ้านามมรรายเราห่างด้วยใจเราคิดถึงคําสอนน้อยมากเราใจเราก็จะห่างด้วยเมื่อใจเราห่างแล้วเวลาของการดํารงชีวิตอยู่ในโลกนี้เรามีเวลาอีกเท่าไหร่ เวลามีเท่าไหร่แล้วเราก็เอาหลักชาวนะนี่มาคํานวณว่าไอ้ชาวนะของเราเนี่ยสูตรมีอยู่ว่าดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ดวงที่เจ็ดให้ชาติหน้าสองถึงหให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นไปชาวนะเราเป็นไปกับอะไรมากนะเมื่อชาวนะเราเป็นไปกับอะไรครับเอาสูตรมาบีดเครื่องคิดเลขได้เลยว่าจะไปไหนมันประมาทไม่ได้วันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เรากําลังทําอะไรอยู่ สิ่งที่เราทําเนี่ยเป็นประโยชน์ในภพนี้ไหมอันนี้ยตอบได้ว่าทุกคนเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมถ้าไม่สัมมาเทเมาจริงๆก็สิ่งที่ทําก็คือประโยชน์ในโลกนี้แต่ทําประโยชน์โลกนี้ต้องไม่ลืมประโยชน์โลกหน้าเพราะชีวิตของเราเนี่ยโลกหน้าเมื่อไรแบบเดียวโอโห้จุติจิตเนี่ยนะปัญจทวารวิถีปั๊บจุติได้เลยตาค้างก็ตายได้ <S <S> <S ก็คนโยมคนหนึ่งเขาดูทีวีนะ ด, ด, ดูดูไปแล้วมันช็อกเลยอะ มันตายได้ทุกแห่งแล้วนะคนฟังทนีัยตายเลยอ่ะไม่ต้องพูดถึงที่อื่นหรอกก็ในฐานะเราคารวาสนะเราพิจารณาชีวิตประจำวันแล้วเราเห็นเราห่างพอสมควรห่างมากทีเดียวนห่างหมายความว่าเราปล่อยให้อารมณ์นั้นพาเราไปนี่นะให้มันเกิดโลภะโทสะเนี่ย ห่างมากมเพราะเราขาดเสียงข้ออินทรียสังวรเนี่ยห่างมากครับใช่ที่ที่ขาดส่วนหนึ่งนะอินทรียสังวรจะมีได้ต่อเมื่อป่ารบถึงคําสอนะนั้นการทรงจําคําสอนเนี่ยมันจึงเป็นเบื้องต้นของการเข้าถึงพุทธศาสนาจริงๆคือคําว่าทรงจําในที่นี้นะถ้าคนมีปัญญาดีเขาไม่ต้องท่องล็อกเขาอ่านก็จําได้แล้วแต่ว่าคนที่ปัญญาไม่ค่อยดีก็ต้องเอาซ้ําชาวนะให้มันเกิดกับเรื่องนั้นได้เป็นพันบๆครั้งนั่นแหละมันจึงจะจําแม่น แต่ถ้า <ผม S 1> แบบพระนรนทเนี่ยนะพระนรินทเนี่ยหรือพระสมัยพุทธกาลนะเขานั่งคุยกันทั้งชั่วโมงเลยนะเสร็จแล้วเข้าไปเล่าได้ตามนั้นเป๊ะเลยไม่ตกแม้แต่คําเดียว <c oughs> ของเราว่าซ้ำๆตั้งสิบครั้งเลยยังจําไม่ได้เลยเรครัพี่ตู่ <c oughs> ห่างกันมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นทํายังไงเราจึงจะทรงจําได้แต่อย่าลืมนะถ้าท่องด้วยโทสะกุศลรืกุศลอกุศลมีโทษไหมมีแต่ก็ทํายังไงเราจะพูดซ้ําๆแล้วก็เรียนในลักษณะศึกษาด้วย ศรัทธาเป็นต้นศึกษาเพื่อศรัทธาเพื่อหีเรโอตาปาณนะถ้าหากว่าคนที่ศึกษาพระธรรมหรือทรงจําพระธรรมในสูตรที่ตัวเองประทับใจนะจะคิดสูตรนั้นได้ทั้งวันนะโดยที่วนอยู่นั่นแหละกลับไปกลับมาเคยฟังเพลงที่เราชอบใจแล้วกลับไปกลับมากลับไปกลับมาไหมร้องบางคนเนี่ยร้องเพลงนั่นอะวนไม่รู้กี่สิบตลบอะเมื่อไร่เราจะประทับใจในคําสอนของพระอริยเจ้าแบบนั้นบ้างแล้วก็คิดวันนั้นหลายๆร้อยตลบอะ ถ้าเป็นพระสมัยก่อนนะท่านคิดวันละ20ชั่วโมงเพราะพระในสมัยพุทธกาลนะที่เรียกว่าชาคริยานุโยกอ่ะก็คือนอนในมัชิมยามแห่งราตรีก็คือสี่ทุ่มถึงตีสองท่านจะนอนทั้งนั้นแหละเสร็จแล้วจะใช้เวลาที่เหลือด้วยการยืนเดินนั่งถ้าเป็นพระที่สมาทานในสัจชิกด้วยไม่มีอิรยาบทนอนถ้าจะหลับก็ยืนหลับตื่นมาใส่ใจในคาสอนต่อไปอีก ท่านจะใช้ชีวิตแบบนี้เขาจึงเรียกว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ว่ า, าสําหรับคารวะแล้วก็ให้มันสมควรแก่ความเหมาะสมนะให้ให้ความเหมาะสมก็สังเกตดูว่าเราต้องการอะไรเอาเนะเราเข้ามาเกี่ยวข้องในพระพุทธศาสนาเนี่ยเราต้องการอะไรเราไปในห้างสรรพสินค้าใช่ไหมเรายังรู้จุดหมายของเราเลยใช่ไหหรือจะขับรถไปที่ใดที่แห่งหนึ่ง เรามีเป้าหมายกันหมดเลยแล้วเราเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาเป้าของเราคืออะไรอัตตะสัมมาปณิเนธเนี่ยสาคัญที่สุดเลยนะถ้าหากว่าอัตตะสัมมาปณิเนธตั้งกระต้นเราตั้งไว้ผิดที่เหลือมผิดหมดเลยถ้าเรามีอัตตะสัมมาปณิเนธตั้งไว้ชอบเพื่อศรัทธาเพื่อศีลเพื่อสุตตะเพื่อจาคะเพื่อปัญญาเราสา ม, มารถที่จะพัฒนากุศลจติตต่อไปอีกได้อีกนานนั่นแหละ แล้วพสูตรนะถ้าหากว่าเรามองเหมือนเพชรเหมือนพลอยเป็นเหมือนรัตนะเป็นเหมือนที่พึ่งเดี๋ยวนานๆเข้าเราจะจำได้จะท่องแบบไม่เครียดเลยจะท่องแบบสบายที่สุดมีความสุขที่สุดเลยแหละแต่ถ้าหากว่าเราเห็นเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าน่ารังเกียจนะพระองค์บอกว่าผู้ใฝ่ในธรรมเป็นผู้เจริญ น, นะผู้ที่ธรรมกามโมภวังโหติผู้ที่ชอบธรรมเป็นผู้เจริญ ถ้าตรงกันข้ามอ่ะผู้ที่ชังทำเป็นผู้เสริมนะเราชังทมหรือเราชอบทำสามารถมองชีวิตออกแต่ถ้าชังอ่ะของพันนี้มันเปลี่ยนกันได้ใช่โจน่ะเขาก็ยังสมาทานศีลได้ทำไมเราจะเบนประเด็นไม่ได้ใช่ไมปลูกฝังฉันทะในกุศลธรรมอย่างยิ่งสมาทานที่จะประพฤติกุศลธรรมอย่างยิ่งเคยได้ยินนะพระที่บวช ด, ด้วยน้าตา สมัยก่อนเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าถึงเธอจะบวช ด, ด้วยน้ําตาก็เชื่อว่ายังเป็นผู้มีศรัทธาอยู่ของเราก็เหมือนกันมันอยากดูทีวีแล้วเกินแต่จะรักษาศีลแปดอย่างเงี้ยเอา <c oughs> ก็ตัดใจสักมืออ้อหนึ่งไงยังดีวันนี้เอาไว้ก่อนอย่างเงี้ย <c oughs> สมา <c oughs> พุ่ง <c oughs> นี้ค่อยดูใหม่อย่างเงี้ยนะถ้าเราสมาทานเป็นนะเราก็พยายามยื่นเวลาทําอกุศลได้อีกหน่อยนึง <c oughs> อย่างเราเนี่ยนะเราเราเจริญเมตตานะถ้าเราจเจริญเมตตาอย่างเงี้ยปับ๊บ เราก็ฝึกเจริญเมตตาเสร็จแล้วนะบอกเออเรื่องอื่นอืเนี่ยขอขอสักชั่วโมงหนึ่งเถอะขอเจริญคิดเรื่องนี้สักชั่วโมงหนึ่งก็ยังดีเดี๋ยวจะไปคิดเรื่องนั้นต่ออย่างงี้นะถ้าเราฉลาดฝึกนะฉลาดแนะนําจิตนะจิตมันเชื่อนะไม่เชื่อนะลองแนะนํามันบอกโกรธนะไอคนนี้มันด่าเรานะเราต้องโกรธนะส่งเสริมมันพักเดียวแค่นั้นนะโอมันด่ายหญเลยนะด่าเป็นชั่วโมงอ่ะเออมันส่งเสริมมันเชื่อเหมือนกันะ แต่ถ้าเราบอกว่าเอ้ยเอาไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งโกรธนะช่วงนี้เรากำลังทำบุญนะเรื่องอื่นๆเอาไว้ก่อนนะขอเจริญเมตตาสักพักหนึ่งก่อนเออมันเชื่อเหมือนกันนะถ้าฝึกบ่อยๆเดี๋ยวมันจะเชื่อเองมันเชื่องนะจิตนี้ฝึกได้ถ้าหากว่าผู้ที่ฝึกจิตได้ชาวนาย่อมไถน้าเข้านาช่างสอนย่อมดัดสอนนะอช่างถากย่อมถากบัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนเอาอะไรเป็นเครื่องฝึก กุศลศีลกุศลสมาธิกุศลปัญญาเป็นเครื่องฝึกอย่างเช่นในในคาถาเมื่อกี้เนี่ยของพระสิริมันดะเทระนี่นะท่านกล่าวถึงว่าฝนถ่าหลังคานะที่ยิ่งปิดยิ่งรั่วยิ่งเปิดยิ่งไม่รั่วอันนั้นเป็นศีลของท่านใช่ไหมนั่นก็คือสิขาและอันถ้าเข้าใจปั๊บเนี่ยนะสามารถที่จะปรับกุศลจิตเป็นไปกับคาสอนในขณะนั้นๆได้ เมื่อไหร่จะฝึกให้มันชำนาญอ่ะเอะเคยได้เคยเห็นนะหลายแห่งละไปเห็นคนเปิดเพลงอ่ะนะพอทางโน้นเปิดเพลงปั๊บทางนี้ดิ้นเลยยิกยักยกยักยยั ก, ย ก, ยกโอ้น่าดูงอาดนะหลายแห่งนักเตะไงมีครั้งหนึ่งนะเดินอ่ยืนอยู่ใกล้ๆร้านเครื่องเสียงมีโยมคนหนึ่งเดินจะเดินผ่านร้านเครื่องเสียงอ่ะนะ พอเครื่องเสียงมันเปิดแกรําตลอดเลยนะแกดิ้นเรียกว่ายึกยักยักยักยักจนผ่านร้านนั้นก็เดินปกติต่อไปมชํานาญขนาดนั้นเ่ะนะคล่องขนาดนั้นเมื่อไหร่เราจะฝึกคําสอนได้คล่องแบบนั้นบ้างพอมีเหตุการณ์อะไรนึกคาสอนพักหนึ่งก่อนแล้วก็ไต่เรื่องอื่นมาแล้วก็ดึงมาอย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเขาค่อยฝึกนะนะกุศลธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องฝึกพระพุทธเจ้านะเป็นปุริสธรรมสาสถิต ธรรมะแปลว่าฝึกพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าพระองค์อะไรมาเป็นเครื่องฝึกกุศลธรรมคําสอนเหล่านี้เป็นเครื่องฝึกถ้าหากว่าผู้ใดทรงจําแล้วก็ค่อยๆนึกถึงคําสอนแล้วค่อยๆปรับตัวไปตามนั้นเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้ากําลังฝึกอยู่นะพระพุทธเจ้ากําลังฝึกเราอยู่ถ้าเรานึกถึงท่านบ่อยๆเรากําลังถูกฝึกแต่ถ้าเราห่างจากแบบนั้นนะ เรากําลังถูกพระพุทธเจ้าฆ่าทิ้งฆ่าทิ้งในอรยาวินัยนี้ก็คือการไม่บอกไม่กล่าวไม่แนะนำไม่สังสอนไม่ตักเตืนอนลูกพ่อแม่ที่ตัดเรียกว่าลูกที่พ่อแม่นะตัดออกจากกองมรดกถ้าถ้าเป็นมหาเศรษฐีนะเขาจะบอกโอ้โ oh, หลูกคนนั้นเนี่ยอับเฉาขนาดไหนนะชีวิตเนี่ยมีแต่ความทุกข์กระทมที่สุดพวกเราทั้งหลายถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าตัดเราด้วยการไม่ฝึกเรานะเราลําบาก แต่ว่าพระ อ, องค์จะฝึกเราได้ยังไงแต่ถ้าโดยรูปประกายของพระ อ, องค์ดับขันตรนิพพานแล้วแต่นามประกายหรือคําสอนของพระ อ, องค์ยังอยู่ถ้าหากว่าเราไม่นึกถึงคําสอนเอ้เราขนาดนั้นก็ห่างแล้วนะเจริญการุณากับตัวเองไว้เยอะๆเถอะไม่ต้องห่วงอะ่ะสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมจริงๆแหละคําสอนที่ว่ากุศลอกุศลอัพยากตะอันนี้ไม่ผิดเพี้ยนแน่นอนกุศลไม่มีโทษให้ผลเป็น ความสุขอากุศลมีโทษให้ผลเป็นความทุกข์ถ้าเราปล่อยจิตปล่อยกายวาจาไปกับอาคุศลมากๆถึงจะนั่งอ้อนวอนปราถนาความสุขขนาดไหนก็ไม่ต้องนะพระ อ, องค์ตัสว่าถ้าหากว่าคนที่ทำอาคุสนนะพอองบอกว่าดูก่อนท่านทั้งหลายเหมงอนนถ้าท่านกลัวต่อทุกข์ท่านจะได้ทำชั่วถ้าท่านทำชั่ว หรือเคยทําชั่วกําลังทําชั่วหรือจะทําชั่วต่อไปต่อให้ท่านเหาะอยู่บนท้องฟ้าท่านก็ไม่พ้นจากทุกข์อยู่ท่ามกลางมหาสมุทรท่านก็จะไม่พ้นจากทุกข์อยู่ในซอกเินอุตสาห์นีไปอยู่ในหลืบเขาเลยนะท่านก็จะไม่พ้นจากความทุกข์เพราะว่าที่สักแห่งหนึ่ง <c oughs> น, นะถ้าถ้าเป็นมนุษย์โลกนะเป็นต้นที่จะพ้นจากไม่ให้อาคุศลให้ผลเนี่ยหาได้ยากนะอยู่ในลิบก็เป็นใช่ไหยใช่ไหม <c oughs> ที่ไหนบ้างอะที่ที่ไม่มีปัญหาบางคนเนี่ยซื้อรถอย่างดีเลยนะตกน้ําเสร็จมันเปิดประตูไม่ออกเท่ากับซื้อมาฆ่าตัวเองนะตกน้ําแล้วประตูมันไม่เปิดอะ่ะเปิดไม่ออกอะ่ะใช่ไหมแทนที่จะเป็นผลดีกลับมานั่นแหละซื้อเครื่องมืออันสิ่งเดียวกันมหาภูต ร, รูปเหล่านี้นะถ้าเราอาคุศลมันให้ผลนะมันจะแปรมาเป็นอาวุธทันทีเลยไม้จิ้มฟันอยู่ดีๆมันจิ้มอย่างอื่นนะตายเลยอะใช่ไหมทุกอย่างเป็นอาวุธได้หมดเลย มหาภูตรูปนั้นจึงเป็นเหมือนอสารพิษถ้ามันกัดส่วนใดส่วนหนึ่งเข้ามีปัญหาหมดเลยทุกส่วนนั่นนะถ้าอากุศลมันให้ผลมันแปลมาเป็นศัตรูเลยโดยที่สุดแม้แต่เม็ดเลือดมันก็แปลมาเป็นศัตรูทันทีเลยมันเพราะรูปเป็นอัพยากตะธรรมนะแล้วแต่ว่ามันมีกุศลหรืออกุศลเป็นปัจจัยนั่นแหะอันมหาภูตรูปพระองค์จึงบอกว่าเหมือนอสารพิษคบไม่ได้เลี้ยงไม่เชื่องว่างไง นะมหาพูทธรูปทุกอย่างเลยถ้ามันเชื่อนะถ้ามหาพูทธรูปมันดีจริงจอ่ะพระพุทธเจ้าดีมากใช่ไหมทําไมน่าจะรักษาพระพุทธเจ้าให้อยู่ได้ให้รูปประกายของพระองค์อยู่ได้ถ้ามหาพูทธรูปมันเอาเฉพาะคนชั่วมันก็น่าจะเอาแต่พระเทวทัตก็พอแล้วใช่ไหมทาไมต้องทําพระพุทธเจ้าด้วยเพราะนั้นมหาพูทธรูปเนี่ยมันไม่เลือกนะเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอัพยากตะธรรมนั้นอภยากตะธรรมมหาพูทธรูปเกิดด้วยสมุทฐานเท่าไหร่ สมุทฐานสี่ทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลมหาปูถรูปเป็นผลของอัพยากตะก็มีนะมหาปูถรูปตัวมันเองเป็นอัพยากตะแต่จิตที่เป็นปัจจัยแก่มหาปูถรูปได้ทั้งสี่ชาติแม้แต่หลับอยู่นะผวังคจิตก็ยังเป็นปัจจัยแก่มหาปูถรูปนั่นแหละโดยที่สุดแม้แต่ชั้นหลับอยู่ เพระะนั้นมหาภูตารูปเหล่านี้ถ้าเราศึกษาให้เข้าใจดีนะผู้นั้นก็สามารถที่จะรู้อัศาธาของมหาภูตารูปได้จะรู้จักอาทีนวะโทษของมหาภูตารูปได้รู้เหตุเกิดของมหาภูตารูปได้ถ้าสมุทฐานมีมหาภูตารูปก็ ม, มีสมุทฐานเหล่านั้นๆมัมหาภูตารูปก็หมดนะแปลสภาพทันทีอย่างรูปร่างกายของเรานะที่นั่งอยู่นี้นะมีสมุทฐานสี่ จุติจิตเกิดปับ๊บเหลือสมุทฐานเดียวอุตุสมุทฐานอย่างเดียวเลยหมดสมุทฐานจิตหมดอุตุหม ด, อ, หมดอาหารหมดทันทีเลยจะเหลือเฉพาะอุตุสมุทฐานอันรู้จักอสสาธาอาทีนวะเหตุเกิดความดับนะและนิสรณะอุบายเครื่องสลัดออกจากมหาภูตรูปสีอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากมหาภูตรูปสีได้จริงๆสัมมาทิฐิเป็นต้นนั่นเองนะ สัมมาทิฏฐิเป็นต้นนั่นเองรู้จักมหาภูตรูปตลอดสายตัวสัมมาทิฏฐิอันนั้นเป็นตัวสลัดออกดูกรพิสูจน์ทั้งหลายผู้ใดยังยินดีในทุกผู้นั้นไม่พ้นจากทุกผู้ใดยินดีในปัทวีธาตุผู้นั้นจะไม่พ้นจากปัทวีธาตุแต่ผู้ใดปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดในปัทวีธาตุผู้นั้นก็จะพ้นจากทุกอั้นข้อปฏิบัติเหล่านั้นแหละคือพระพุทธศาสนา ก็มีความไพเราะมากครับนะที่ท่านานํามาบรรยายนี่นะครับถ้าหากว่าท่านอ่านพระสูตรต่างๆนะครับในพระไตรปิฎกเนี่ยนะท่านจะยิ่งทราบซึ่งใหญนะ่ที่ท่านกล่าวมันเนี่ยนะท่านพอจะนึกออกเลยนี่อยู่ในนิกายเนยะนี่เข้าใจว่าขันธวารวักนะรหรือว่าสลายยตนาวักนี่นะเข้าใจว่าอยู่ในขันธวารวักมากกว่านะฮะแล้วก็ เป็นอย่างนี้เนี่ยครับข้อความอย่างนี้นะครับต้องรู้อัศธาอาธีนาวะรู้การเกิดรู้การดับรู้นิสรณะการสลัดออกนี่แหละครับเป็นการกล่าวที่เรียกว่าถ้าท่านได้อ่านแล้วนะมาฟังอีกทีนะโอ้ท่านจะมีความซาบซึ้งมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านก็อย่าลืมนะครับ ในหลักสูตรนี้หลักสูตรทั้แบบการอ่านพระไตรปิฎกนะครับที่เราเคยตั้งตั้งเอาไว้ท่านท่านนี่เริ่มอ่านบ้างหรือยังครับคนคนพระไตรปิฎกได้ดีๆนะนะมาเล่าให้ฟังบ้างอืไม่มาฟังก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามาเล่าให้ฟังบ้างผู้ได้เพลิดเพลินในปัจติวีธาพูดนั้นยังเพลิดเพลินในทุกผู้ไ <gamma> ด <enders> ้เพลิดเพลินในทุกผููนั้นย่อมไม่พ้นไปจากทุก เนี่เป็นข้อความที่ดูสั้นๆอย่างนี้นะครับแต่ว่ามีความหมายมากเลยนะวันนี้ต้องมีความไปล่อมากคงจะต้องไปอัดไปแจกญาติๆบ้างผมส่งไปที่กรุงเทพบ้างจริงเทพพวกนี้นะครับผมตั้งใจไว้ว่าเมื่อถึงระดับหนึ่งแล้วก็นํามาปรับปรุงเล็กน้อยตัดต่อกันให้พอเวลาพอสมควรแล้วผมก็มีโครงการที่จะนําออกอากาศโดยเฉพาะออกอากาศที่กรุงเทพก่อนนะครับเออซึ่งก็ต้อง คงจะต้องเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่จะหาสถานีออกนะแล้วก็ไว้มันผ่านไปนานพอสมควรหน่อยก็จะออกที่เชียงใหม่นะเพราะเป็นคำบรรยายหรือว่าเป็นคําเทศนาที่มีความไพลราะมากเลยนะท่านฟังแล้วนี่ท่านผมไมเห็นมีคนไหนนั่งหลับเลยครับเป็นคุณนายผมบอกอ๋อยังธรรมดาท่าไม่ค่อยตื่นนะครท่านไม่ค่อยท่านไม่ค่อยตื่นนะแต่ว่าท่านยังนั่ง ฟังตาแปลวแสแดงว่าเออก็ทานนะอะ่ครับเวลาก็ก็จวนหมดอีกแล้วนะครับก็อย่าลืมพุ่งน้วันพระนะครับศีล น, นะครับศีลสำคัญมากเลยถ้าใครยังไม่เคยเ อ, อ่อถือศีลแปดถือศีลติก็ก็ลองดูสักวันหนึ่งนะครับที่จะประพฤติปฏิบัติตนอย่างพระอริยบุคคลหรือว่าพระอรหันนะครับประพฤติอย่างนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับ ต้องมีอัตตะสัมมาปณิทิตตั้งใจไว้นะครับว่าวันนี้จะต้องมีอินทรียสังวรบ้างเอาบ้างคือถ้านึกถึงบ้างข้อความในมังคลทีปณีนะมงคลสูตรเนี่ยมีนจะมีบทหนึ่งว่าอัตตสัมมาปณิทิตจะเอตัมมังคลมุตตะมังเนี่ยนะการตั้งจิตไว้โดยชอบเนี่ยนะเป็นอุดมมงคลอ่าตั้งจิตไว้ตั้งยังไงไม่มีศรัทธาก็ตั้งให้มันมีศรัทธาขึ้น ไม่มีศีลก็ตั้งให้มีศีลขึ้นนะไม่มีกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตั้งให้มันตั้งขึ้นอะ่ะการตั้งอย่างนี้เชื่อว่าเป็นการตั้งโดยชอบซึ่งศีลเนี่ยนะเกิดจากการสมาทานสมาทานก็คือการถือเอาหรือการตั้งนั่นเองนั้นถ้าเราสามารถที่จะสมาทานประพฤติบ่อยๆในด้านกุศลธรรมเหล่านี้เชื่อว่าเป็นผู้ที่ตั้งตนไวโดยชอบแล้ว ตั้งตนไว้ชอบว่าเออวันนี้จะอาจต้องอ่านพระไตรปิฎกสักสิบหน้าก็ยังดีนะะสิบหน้าเนี่ยนะถ้าเป็นวิชาอื่นๆนะสอบตกแน่นะถ้าเป็นวิชาอื่นๆเนี่ยสอบตกแน่นอนเลยแต่ของพระพุทธเจ้านะเราผ่อนจนพระองค์ไม่ได้ผ่อนนะเรามาคิดผ่อนเองอนั้นหาพยายามหาเวลาที่จะทรงจําพระพระสูตรให้ได้หรือได้อ่านพระไตรปิฎกจริงๆคือของเรามานั้นอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือ ที่เรามาฟังเนี่ยนะส่วนหนึ่งเนี่ยปรุงมาแล้วนะบอกก็คือว่าปรุงมาแล้วเมื่อปรุงมาแล้วนั้นถ้าคนแสดงเป็นปุตุชนเปอร์เซนต์ผิดมีแล้วไม่ใช่ที่เดียวด้วยนะขอมาเองเนี่ยรู้เลยว่าเราบรรยายผิดตั้งหลายแห่งนะบอกก่อนเลยว่ามีที่ผิดหลายแห่งอ่าเมื่อมีที่ผิดหลายแห่งนั้นอ่ะถ้าหากว่าเราทั้งหลายคาดไม่ถูกนะสมมติขอมาเนี่ยขึ้นบนต้นผู้าเนี่ยนะ เขย่าลูกผู้ซาให้กินอย่างไงไม่ได้ตกแต่ลูกอย่างเดียวนะกิ่งตามันก็ตกด้วยนะอย่างอื่นมันก็ตกด้วยบางทีมีรังงดแดงก็ตกมาด้วยอ่ะการแสดงธรรมก็ลักษณะเดียวกันซึ่งไม่ใช่เอามาอ่านโดยตกถ้าอ่านจิตรตรงๆงเป๊ะๆเลยเนี้ยเปอร์เซ็นต์พลาดน้อยเว้นแต่อ่านตกอ่านหลดแต่ถ้าเชิงบรรยายอย่างนี้เนี่ยก็มีที่พลาดอยกตัวอย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งมาบรรยายว่า จิตของพระอาหารหันต์เนี่ยมีแต่มหากิริยาเป็นต้นเนี่ยนะลืมมหาวิบากแล้วไปบอกว่าเท่านั้นนะไปล็อกด้วยนะว่าเท่านั้นคือมีมหากิริยากี่ดวงอเฮตุกะกีดกกก่ดวงมหคตะกิริยาขกี่ดวงโลกุตระเลยเสร็จตกมหาวิบากถ้าเป็นพระอาหารหันต์ที่เป็นพรหมเนี่ยก็ตกมหากตะวิบากทีนี้ ถามว่ามันผิดยังไงผิดตรงที่ไปล็อกว่าเท่านั้นถ้าใครไปเชื่อว่าเท่านั้นจริงๆๆจริงจ้งเลยเฉ <c oughs> พาะส่วนตรงนั้นนะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่ามีมีที่ผิดอยู่ก็เหมือนกับขึ้นเขย่าต้นไม้ขึ้นขึ้นเขยาา่าผลไม้ก็บางครั้งท่านก็เน้นเรื่องในชาวนนะนะฮะเจพอ จึงได้กล่าวอย่างนี้บางทีท่านอาจจะที่บายเรื่องกุศลอกุศลในชาวนะของจิตปุตุชนอะไรมาใช่ไหมพอมาถึงพระอรหานท่านก็เล้นเอาว่าอย่างเดียวครับแต่ทีนี้ก็ไปไปเน้นไงพอที่ที่มันผิดเพราะอะไรเพราะไปเน้นเท่านั้นก็ก็ไม่ถึงกับผิดมากเลยครับนะก็อาจจะตกหล่นไปนิดหน่อยเพียงแต่อยากให้รู้ว่าครับความสมบูรณ์ไม่มีร้อเปอร์เซเมื่อไม่ใช่ร้อยเปอร์เซนตนั้น ทำอย่างไรเราท่านทั้งหลายจะสา ม, มารถอ่านพระไตรปิฎกได้แต่ในพระไตรปิฎกก็บอกว่าไม่ใช่ร้อยเอร์เซ็นอีกนั่นแหละเพราะอะไรเพราะพิมพ์ตกพิมพ์หล่นก็มีนี่อย่างหนึง่งและส่วนหนึ่งนะบางมั น, ม, น, ม, นมันหล่นนี่ไม่ใช่หล่นบรรทัดเดียวนะบางแห่งนี่หล่นหลายบรรทัดก็มีนั่นแหละอหรือว่าพยัญชนะผิดก็หลายแห่งเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เราก็ทําใจไว้อีกแต่ถ้าเราถ้าเราตั้งมั่นกับว่า พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละคือสารณะของเราแล้วส่วนที่เหลือจะไม่ใช่ปัญหามองจะมองด้านอื่นๆไม่ใช่ปัญหาเพราะเราจะรู้ว่าในโต๊ะอาหารนะยังมีก้างเลยนะใครทานอาหารไม่มีก้างก็ถือว่าเก่งมากเลยนะมีบุญมากนะใครที่สามารถทานน้อยหนาโดยที่ไม่มีเมล็ดนะมีบุญเยอะนะ ย่งหม่อมถนตัตศรีเขบอกว่าเกิดมาเนี่ยบอกทั้งเล็กๆไม่รู้นะว่าไอ้น้อยหน่ามันมีมเมล็ดอะ่ะเพราะว่าคนเขาจะแกะออกหมดเนี่ยนะจะเรียบร้อยหมดนี่คนมีบุญมากเลยของเราถ้าเกิดทันพระพุทธเจ้าเราจะได้อย่างนั้นเลยแต่นี้ของเราเนี่เกิดห่างมากเมื่อห่างนะเรียกว่าเหมือนแบบลูกกัมพร้ามันจะต้องช่วยเหลือตัวเองให้มากๆอันพระองค์จึงสอนว่าดูก่อนพี่สุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะจงมีตนเป็นที่พึ่ง อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยจงมีธรรมะเป็นเกาะจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยพราะถ้าเมื่อเราไม่มีเกาะไม่มีที่พึ่งนะเราจะอยู่เป็นทุกข์นั่นแหละครับวันนี้ครับเจอกันครับ ถ้าหากว่าอั น, นะอัฏฐาธาอาทีนวะนิสรณะเนี่ยนะเป็นหลักเทศนาของพระพุทธเจ้าคือพระผู้มีพระภาคนั้นเวลาพระองค์จะทรงสแสดงถึงสัพปะมัท ธ, ธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งส่วนใหญ่แล้วจะขึ้นต้นด้วยอัสฐ า, าทาธีนวตานิสระนำปิจักพลังอุปาโยจะอานตีจะพระวะโตโยคีนางเทศนาฮารุเนี่ยนะในในเทศนาหาระจะกล่าวหลักอันนี้ไว้ทัานพระองค์นั้นจะยกถึงเช่นรูปนะ อัฏฐาธะของรูปอาทีนวะของรูปเหตุเกิดของรูปความดับของรูปแล้วก็นิสรณะคืออุบายเครื่องสลัดออกจากรูปแล้วบางทีก็ยังแสดงเหตุแสดงผลในที่ตรงนั้นด้วยนั่นคือหลักเทศนาของพระพุทธเจ้าแต่ว่าอัฏฐาทะเป็นชื่อของสมุทัยสัตว์อาทีนวะทุกขสัตว์นิสรณะมรรคสัต์กับนิโรธสัตว์เพราะฉะนั้นสัจจะสี่อยู่ตรงนั้นแหละ